อนุญาตกล่าวถึงประวัติท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์สธิพโลนะครับท่านสําเร็จการศึกษานะครับวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลนะครับจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9นะครับและสําเร็จปริญญาโทจากรัฐศาสตร์จากจุลาลงกรมหาวิทยาลัยจุดเริ่มต้นในเส้นทางธรรมของท่านนะครับในปีพุทธศักราช2522ขณะ ท, ที่ท่านเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1ระหว่างปิดเทมอมโยมแม่ได้พาท่านไปบวชนะครับกับหลวงข้อชา สุดพัดโทนะครับที่วัดหนองป่าพงเป็นระยะเวลา1ปีจากนั้นนะครับท่านได้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อชานะครับทำให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมะนะครับรวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆอย่างเคร่งรัดและน่าลือมใสหลังจากนั้นท่านได้ลาศิกขาบทกลับมาเรียนหนังสือและเริ่มฝึกหัดรักษาสิน5อย่างเคร่งขัดจนกระทั่งได้มาบวชอีกครั้งในช่วงปิดเทอมในชั้นปีที่4โรงเรียนร้อยพุทธจุลจอม ในขณะนั้นนะครับท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหลวงพ่อชาวา่าจะใช้ชีวิตครวาสอีก10ปีและขอให้มีเหตุปัจจัยผลักดันให้ครองเบญจ ะ, ร ะ, ะครองเบญจเพศนะครับบพชิตไปตลอดชีวิตจนในที่สุดนะครับเมื่อครบ10ปีตรงกับคำที่ท่านอธิษฐานไว้ซึ่งเป็นปีที่หลวงหลวง่ชามรณาภาพในขณะนั้นนะครับท่านก็ได้เห็นสัจธรรมว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยง สัพสัตทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่เว้นแต่ครูบ า, าจารย์จึงเป็นเหตุให้นะครับท่านได้มีอนุสติเป็นเครื่องกระตุ้นในใจของท่านให้ออกจากชีวิตทางโลกท่านได้อุปสมบทณวัดบุญญาวาสจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพงหลังจากนั้นนะครับท่านก็ได้ศึกษาธรรมและพระวินยัยควบคู่ไปตลอดระยะเวลาสิปี ประวัติการบรรยายธรรมของท่านนะครับท่านได้บรรยายธรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐอาทิเช่นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและบริษัทเอกชนมากมายรวมถึงชมรมยุโรปุธแห่งประเทศทัสแล้ววันนี้นะครับท่านก็ได้มีพระนะครับพระมาบรรยายคู่ด้วยนะครับได้แก่พระมาร์คชาคาวาโลท่านในโอกาสนี้นะครับขอนิมณ์หลวงพ่อในการบรรยายธรรมในครั้งนี้ครับขอนิมณ์ครับ อ่า <c oughs> เป็ญพรยัดยองทุกคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราที่นี่ก็ <c oughs> การเกี่ยวข้องกับสมณะเนี่ยพระสัสดาหให้เกี่ยวข้องด้วยเรื่องอะไรพระองค์บอกว่าให้ได้ยินได้ฟังธรรม การที่มีนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเนี่ยอา น, นิสงส์จะได้อะไรบ้างรัตถาโคดบอกว่าจะได้อานิสงส์ห้ายอย่าง <c oughs> พระง์บอกว่าการที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีจิตเริ่มใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดเนี่ยอันนี้น เ, นเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ การลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการที่ล่ความตระหนีอันเป็นมนทินในนักบวผู้มีศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อการได้เกจิศอันใหญ่ส่วนการจำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไปเพื่อการได้โพการใหญ่ในสุดท้ายอ น, นิสงส์งที่5ก็คือการได้ฟังธรรม ในนักปผู้มีสินผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่นี่พระศาสดาได้ปัญญิเอาไว้ดังนั้นในพุทธศาสนาเราเนี่ยเราศึกษาคำของพระตถาคตนะคำของพระศาสดานะเป็นคำที่ถูกต้องที่สุดไม่มีข้อผิดแลนะดังนั้นวันนี้อาตมาจึงมาประกาศคำของตถาคต พระบุคคลที่หาได้ยากในโลกสามพวกคือหนึ่งอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองผู้ที่ประกาศคำตถาคตสผู้มีความกระตันยูกระตาเวทีนั้นเป็นลูกศิษย์ตถาคตจะประกาศคำใครประกาศคำอาจารย์ของเราคือคำตถาคตนั่นเองพระทุกรูปต้องบอกว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์ของตถาคตพอาาสอนกาสาวก ถ้าเธอถูกถามว่าพวกเธอเป็นใครเนี่ยเธอจะตอบเพว่ายังไงรงบอกว่าให้ตอบว่าเราคือสมณะสักยะบุติยะนะบุติยะก็คือบุตรสมณะก็คือนักบวชสักยะก็คือตระกูลของพระศาสดาเราคือบุตรของสมณะในสักยะตระกูลอย่างนี้นั่นนี่เป็นเป็นสิ่งที่พระทุกครูต้องทํา และลนอกจากนั้นเนี่ยการประกาศคําตถาคตเนี่ยบุคคลนั้นยังจัดเป็นรัตนห้แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกหนึ่อรันตสมาสัมพุทธเจ้าหาได้ยากในโลก 2. ผู้ที่ประกาศคําตถาคต 3. ผู้ที่รู้แจ้งในคําตถาคต 4. ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในคําตถาคต5ผู้มีความกตันยูกตาเวที นั้นวันนี้อยากให้พวกเราเนี่ยทราบความจริงนะเกี่ยวกับพุทธศาสนาว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนอะไรพระตถาคตตรัสรู้อะไรเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจําเป็นที่อรันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกดังนั้นพระศาสดาเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาสามธรรมชาตินี้ เกิดแก่ตายทำอย่างไรเราจะพ้นจากสามธรรมชาตินี้ได้นะดังนั้นให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้โดยตรงนะสอนเรื่องการพ้นจากความเกิดความแก่ความตายไม่ต้องตายอีกต่อไปเนี่ยทำอย่างไร ถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจําเป็นที่หลันตัสมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกท่นี้ในความเป็นพุทธศาสนาด้วยกันเนี่ยมันมีหลากหลายเหลือเกินเวลายมคุยธรรมะ ก, กันยอมต้องถามว่าคุณสายไหนผมสายนี้นั่นสายนี้ในเมื่อผู้เจ้าองค์เดียวกันเหตุใดจึงมีความหลากหลายความแตกต่างนะมันต้องมีใครจามาผิดสักคน หรือมีใครไปเพิ่มเติมเพราะเหตุว่าพระตถาคตยืนยันว่าพระองค์พูดไม่มีการขัดแย้งกันสอดรับกันทั้งชีวิตความสามารถของพระตถาคตนะพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดจัดกับอภิเวสนาะบอกอภิเวสนาะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิอันเป็นในภายใน พระพุทธเจ้าเนี่ยกาหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวมีคนเดียวเท่านั้นในโลกที่ทำได้ดังนั้นต่ำกว่าพระพเจ้าเนี่ยคำพูดผิดพลาดได้หมดนะดังนั้นสาวกไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยพูดพลาดได้หมดนะความสามารถอย่างที่สองของพระตถาคตพระองค์บอกว่าคำของพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันนะ พระองค์บอกว่าพิสษุทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตได้ตรสัสรู้และทั้งลาตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคําตถาคตขัดแย้งกันไม่ได้ดังนั้นสายนิกายมีไม่ได้ในพุทธศาสนาต้องเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นและคําตถาคต พูดหลุดออกจากปากแล้วเป็นอากาศลิกโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลา น, นี่คือความสามารถของพระศาสดาของเราที่บางทีชาวพุทธเราไม่ทราบและขีดจำกัดของความเป็นสาวกคืออะไรพระองค์บอกว่าถึงเธอจะเป็นพระรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติก็เป็นแค่ผู้เดินตาม รัฐาคตเป็นมรคันยูรู้มร ก, ก่อนเป็นมรควิถูรู้แจในมรเป็นมรคขวิโทฉลาดในมรส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงอะไรมักขานุกาผู้เดินตามมรกถึงแม้จะเป็นพระหลานผู้ปัญญาวิมุตก็ตามหลุดพ้นด้วยปัญญา น, นี่ให้ทราบขีดจำกัดของสาวกว่าปฏิบัติ ด, ดีตรงควรชอบตามที่ศาสดาบัญญัตินะจะมาสอนผิดจากศาสดาไม่ได้ และพระธารโคตยังสั่งกำชับไว้อีกด้วยว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัตินะอย่าไปบัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วนะบัญญัติไว้แล้วก็อย่าเพิกถอนอะไรไม่ได้บัญญัติก็อย่าไปบัญญัติเพิ่มเป็นเราเราจะสอนอยังไงถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ในเมื่อผู้เจ้าใส่อย่างนี้ดังนั้นก็คือต้องทรงจำำําคําตถาคตแล้วไปประกาศหน้าที่โยมทําตัวเหมือนไม่เนี่ยผู้เจ้าพูดร้อยต้องออกไปร้อยพู้ห้าสิบต้องออกไปห้าสิบอย่าเติมอย่าตาัดคําของพระองค์นะดังนั้นจริงขึ้นจอโปรเจคเตอร์นะหรือเชื่อมเข้าไปในจอมาที่นี่รู้สึกจะทำสมัยที่สุดนะ <c oughs> มีจอให้ดูกันทุกที่นะ อ่าที่สำนักนายกยังไม่ทันสมัยเท่านี้เลย <laughs> ยิ่งมีไม่ทุกคนเนี่ยก็สะดวกนะอ่าเหมือนไปที่โรงเรียนเสก็มีไม่ทุกคนก็จะถามปุ๊บปุ๊บนี่นะก็จะ <c oughs> ทำให้เราได้ความกระจ่างขึ้นมานะนั้นเราได้รู้ความสามารถของพระาศาสดาและขีดจำกัดของสาวบและสิ่งที่ผู้เช่าเตือนเอาไว้ ว่าอย่าทำอะไรสาวกคุณอย่าทำอะไรภิกษุอย่าบัญญัติเพิ่มนะอย่าเพิ่มถอนนะ <c oughs> แล้วผู้เจ้ายัางเตืนเอนไว้อีกว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีภิกษุไม่สนใจคำตถ า, ตาคตนะบอกเตือนไม่เลยสุดตัณตะเหล่าใดที่คนแต่งใหม่เนี่ยเขากลับไปสนใจ คำของสาวกคำที่แต่งใหม่แต่คำของตถาคตรเขาจะไม่ยิ้วหูลงฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่คนคนศึกษาเราเรียนลักษณะนี้นะ่ะจะเกิดในอนาคตและนี้คือความอันตรธานคือความหายไปของคําศาสดาจะค่อยๆหายไปจากโลกหายไปหายไปเรื่อยๆร่ว <c oughs> งจนกลัดว่าสุดทันต์เราใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกาบกรอน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 ส่วนสุดตัณฑ์เราใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นลูกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดต่างๆเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตไปจะรู้ตัวถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี้ยควรศึกษาเล่าเรียนดังนั้นพระองค์กำชับไว้เลยว่านะต้องศึกษาเล่าเรียนแต่คําตถาคต นั้นจึงอยากให้เราทราบเนี่ยพุทธประสงค์พระดํลรดนี้ซึ่งพูดมาแล้ว 2,500 กว่าปีและปีนี้ครบ 2,600 ปีของการตรัสรู้ของพระตถาคตอาตมาจึงอยากให้พวกเราเนี่ยได้กลับไปได้ยินได้ฟังคำตถาคตล้วนๆตรงๆจริงๆโดยที่ไม่มีคำหรือความเห็นของสาวกเข้าไป ป, ปับปนนะซึ่งสาวกทำไม่ได้ไม่อนุญาตนะ <c oughs> เพราะสัพพัญญูมีผู้เดียวในโลกนานๆจะเกิดขึ้นที นะดังนั้นด้วยเหตุนี้แหละเราเราจึงเห็นความสำคัญ <c oughs> เราจึงนำพระสูตรเหล่านี้มาทำรวบรวมอยู่ในแผ่นพับนะแผ่นพับนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นคำตถาคตทั้งหมดนะที่รวบรวมบ่งบอกถึงความสำคัญของคำตถาคตพูะเจ้ากาหนดสมาธิทุกครั้งคาไม่ขัดแย้งกันคาเป็นอากาลิโกเตือนว่าในานาคตการคาพรเจ้าจะเสื่อมไปนะ สอนให้ฟังแต่คำผู้เจ้าแล้วเธอจะเป็นบริษัทที่เลทเรียกว่าปฏิบุตรชาวินิตาปริษาโนกจิวินิตาบริษัทที่ฟังแต่คําตถาคตสั่งห้ามมัญหยัดเพิ่มห้ามเพิ่มถอนและให้รู้ว่าเธอเป็นแค่ผู้เดินตามนะและเตือนว่าเธอจะเป็นคนสุดท้ายในศาสนาของพระองค์รัดกับอานนท์ว่าอานนท์ความขาดศูญย์แห่งกาลยาณวัตนนี้คือคําพระตถาคตเนี่ยมีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย นเกี่ยวกับกาลยาณวัฒนนั้นเราขอกราวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกาลยาณวัฒนที่เราคือตถาคตตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุตพวกสุดท้ายของเราเลยนะคำตถาคตจะค่อยๆหมดไปโยมจึงเห็นว่าโยมไปหาหนังสือธรรมะในท้องตลาดในกรุงเทพร้านหนังสือใหญ่ๆมีหนังสือธรรมะขายสี่สาร้อย 3า0ี่ร้อยหัวหนังสือโยมจะไม่สามารถหาหนังสือพุทธวจนะอย่างนี้ได้ไม่มีเห็นไหมว่าคำตถาคตเริ่มหายากแล้วในประเทศที่เป็นเมืองพุทธมีแต่คามีแต่หนังสือสาวกแต่หาคำศาสดาตัวเองไม่ได้นี่คือปัญหานะดังนั้นวันนี้อาตมาก็จะมาทำหน้าที่สนานักสักยัพุทยิยะคือประกาศคาตถาคตให้โยมได้รู้จักว่าคาตถาคตเป็นอย่างไรผู้เจ้าเก่งแค่ไหนที่มาที่ไปเป็นอย่างไร และหลักการของพระศาสนาสอนอะไรนะ <c oughs> นั้นหลักฐานทั้งหมดที่ให้โยมดูเนี่ยเพื <c oughs> นะ่อให้เราทราบที่มาที่ไปว่าหนังสือทั้งหมดที่อาตมาทำมานะจะเป็นเล่มใหญ่อย่างนี้ก็ตามนะเล่มเล็กนี่ก็ตามนะคือคำพระศาสนาทั้งหมดไม่มีคำที่แต่งขึ้นใหม่ใอ้ทราบว่าหลักฐานนี้นะถอยหลังไปเนี่ยตาลาในทามพุทธศาสนาณนะวันนี้ สองสํานักใหญ่คือตัวนี้มหามฆุกดเก้าสิเอ็ดเล่มนะมหาจุลาสี่สิบห้าเล่มนะพระไตรปิฎกที่อยู่ตามวัดทั่วประเทศสองสํานักนี้ใครตั้งรัชกาลที่ห้าตั้งนะและสองสํานักนี้เอาข้อมูลมาจากไหนเราถอยประวัติศาสตร์ไปนิดหนึ่งนะสองสํานักนี้เอาข้อมูลมาจากตัวนี้ให้เราทราบก่อนบาลีสยามรัฐใครเป็นคนทำ รัชกาลที่หนะเป็นผู้ที่นิมนต์พระร้อยกว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วนะแล้วช่วยกันนะแปลจากอักษรของมาเป็นอักษรสยามคือตัวที่ขึ้นในจอนี้นะทำเมื่อปีสองสี่สามหนึ่งถึงสองสี่สใช้เวลาห้าปีในการทำนะในทราบที่มาที่ไปตรงนี้ท่นี้หลักฐานที่พระในรัชกาลที่ห้าใช้เนี่ยเอามาจากไหน ตัวใบาลานเนี่ยนะตัวใบาลานที่จาร์ด้วยอักษรหอมนี้เอามาจากราชการที่หนึ่งคือตัวนี้ซึ่งเก็บไว้ที่หอมมณเทียมทำที่วัดพระแก้วเหมือนกันร้อหนึ่งนิมนต์พระมาสองอกว่ารูกทั่วประเทศประชุมกันที่วัดพระศรีสรรเพชคือวัดมหาธาตุยุวรา ล, าล์นังศือฤิ์ปัจจุบันนะแล้วช่วยกันคัดลอกพระไตรปิฎกใหม่ทั้งหมดเพราะอายุธยาถูกเผาข้อมูลหมดร้อหนึ่งจึงอยาก มีหลักฐานทางพุทธศาสนาเก็บไว้ในประเทศจึงรวบรวมพระแล้วก็ยืมจากประเทศลาวและประเทศรามันคือพม่าม า, มาแล้วให้พระสองร้อยครูนี่ยนั่งลอกใหม่หมดเลยใช้เวลาทําอยู่หกเดือนราชการที่หนึ่งเนี่ยควบคุมการทําด้วยพระองค์เองถวายอาหารพระในตอนเช้าถวายน้ำปานะในตอนเย็นตลอดทุกวันจนครบหกเดือนงานนี้จึงเสร็จเ น, นื้อสามารถที่มาที่ไปท่านี้ ประเทศลาวรามันพม่าเดิมเนี่ยในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยเอาข้อมูลหลักฐานนี้มาจากไหนเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งอยู่ประมาณสอง้อปีหลังพูะเจ้าปรินิพานนะดังนั้นพระเจ้าเนี่ยนะพอปรินิพานปุ๊บเนี่ยสมัยก่อนคือทรงจำใช้การทรงจำและถ่ายทอดทางปากคือมุขปาฐถ่ายทอดมาเรื่อยๆดังนั้นผ่านมาสอง้อปีพระเจ้าโศกมหาราช เก็บข้อมูลลงในอะไรเสาวินโสมนั้นถ้าเราไปอินเดียเราจะเจอเสาหินโสมซึ่งแกะสลักด้วยอักสรพราหมีภาษาประกิจนั้นตรงนี้จึงเป็นหลักฐานที่มาที่ไปของพุทธศาสนาในปัจจุบั น, น, นจากเสาหินมาสู่ใบลานในรัชกาลที่หนึ่งมาสู่หนังสือน ะ, นะตรงนี้ในรัชกาลที่ห้าและมาสู่แผ่นซีดีแผ่นนี้ในรัชกาลที่เก้า วิธีเก็บข้อมูลและตอนนี้เราพยายามกระจายข้อมูลตรงนี้เข้าสือ่อมือถือของทุกคนถ้าที่นี่มี Wi-Fi โหลดได้เรามีพระที่จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมเข้ามาบวชช่วคราวพอดีแล้วก็เลยทำข้อมูลบาลีสามรัทเนียทั้งหมดเนี่ยบรรจุลงในแอปพลิเคชันทั้งบาลีส5ห้าเล่มภาษาไทยสี่เล่ม พร้อมกับโปรแกรมในการสแกนตรวจค น, นเวลาเราสงสัยอะายเนี่ยเราไม่ต้องไปเปิดทีละหน้ากดวินาทีเดียวเจอแล้วนะเพราะนั้นตอนนี้เป็นยุคที่เราสามารถตรวจสอบคำพระตถาคตได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรคือความถูกต้องโยมคีคํคำว่าพุทธวจนะเข้าไปใน a อป Store หรือเข้าไปใน Android Market โยมจะได้แอปพลิเคชันตัวนี้มานะแล้วโยมก็โหลดเข้าเครื่อง ในพวกแท็บเล็ตอย่างนี้ก็ได้นะใครมีแท็บเล็ตใครมี iPhone หรือระบบของ Android ใช้ได้หมดนะอ่าก็แอปพลิเคชันอ e ีครื่งหนึ่งธรรมาจากักรครื่งหนึ่งนะขีคาว่าพุทธวิสณะหรืออ e ีติปิกะเข้าไปตอนนี้เราไม่ต้องเดินทางไกลอย่างพระเจ้าโศกแลวพอใส่เข้าไป ป, ไปุ๊บนี่ไปทั่วโลกเลยปุ๊บคำพร้เจ้ารวดเดียว นนี้ได้ประโยชน์อะไรจากการมาศึกษาตรงนี้โยมเนื้อแท้เนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรหนึ่งเราจะได้สิ่งที่ถูกต้องอใช่ไหมว่าถ้าโยมไม่ทราบเนื้อแท้ของคำพระตถ า, าคตซึ่งข้อมูลนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีนะตกทอดกันมาเป็นยุคยุคผู้นำประเทศแต่และยุคเนี่ยที่มีสมาธิถีก็พยายามปกป้องรักษาไว้คตาตถาคต ไ่้ประโยชน์อะไรโยมจะได้ได้รู้ความจริงในสิ่งที่เรากระทาอยากสวยรวยสูงสักจะต้องทำยังไงนะจะต้องไปทำพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าไม่ต้องผู้เจ้าบอกกลับมาฝึกกายวาจาจิตของเราให้ดีนั่นคือเราจะรู้เหตุปัจจัยที่ถูกต้องของการได้มาซึ่งรูปงามผิวพรรณงามนะผกสมบัติมากมีทรัพย์มากและสูงสักตัดกับพระนางมริกา บอกพระนางมาริกาเร์นนะถ้าเธอไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ชุมเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระดิอไม่แสดงความโกรธหรือความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ําผ้ายอดยานระเบียบของหอมเครื่องรูกปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีบคมไฟแก่สมัหรือปราม์ ครั้นมาถุกครามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูหน้าชมยิ่งนักและเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพุทสมบัติมากและสูงศักนี่คือเหตุปัจจัยที่ถูกต้องของการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่การไปกระทําสิ่งอื่นนะเนี่ยเราจะทราบเหตุปัจจัยถูกต้องเราต้องการอุทิศบุญกุศลเราจะได้ทราบว่าเราต้องทำอย่างไง ณวันนี้เราไปอาจจะไปวิ่งเตรียมน้ําเตรียมแก้วเพื่อมากรวดน้ำเพื่อที่ผลคือสนแต่ทุกคนลืมว่าทุกคนจะต้องเตรียมจิตพระต ถ, ถาคตให้เตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์ห้านะรัตกว่าเสตฐะบอกว่าเสษฐาเมื่อจิตของเธอเนี่ยปราศจากนิวรณ์ห้าแล้วเนี่ยให้เธอทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งสองสามสี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่าเบื้องขวางนะ นั่นนี่คือเหตุปัจจัยที่ถูกต้องที่ความเป็นสัมมาสัมพุทธะเข้าไปเห็นไปรู้ไปเห็นแล้วบัญญัติออกมานะดังนั้นเมื่อสาวกยุคหลังเที่ยวไปเพิ่มเติมบัญญัติเพิ่มนะก็เลยเป็นความเข้าใจผิดความรู้ผิดและไม่สามารถเข้าถึงผลของมันได้ยอ่อยากจะหมดกรรมอยากจะพ้นจากกรรมหนุก็วิ่งไปที่ไหนเขาว่าแก้กรรมได้โยกไป ทำทุกเรื่องเพื่อต้องการพ้นกรรมแต่ปรากฏว่าพ้นได้ไหมไม่ได้จริงยอมลองดูสิย่อมไปแก้กรรมสิวัดร้อยวัดมีวัดที่ไหนบ้างบอกว่าวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องคืออริยอัตถังคิกัรมนี้นั่นเองคือกรมมะนิโรธกามินีปฏิปทาปฏิปทาถึงความดับไม่เลือแห่งกรรมคือมักมีองค์แปเท่านั้นเราต้องมาฝึกกายวาจาจิต ตามผลทางมักมีวงแปดถึงจะแก้กรรมได้นั่นแสดงว่าไม่มีใครแก้กรรมให้เราได้นอกจากเราฝึกกายวาจาใจของเราเองตามผลทาง8ปดประการคือมักแปดเห็นไหมเราเดินออกนอกทางไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อ เ, เ, เป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เพราะความไม่รู้พุทธวจนะนั่นเองดังนั้นจึงเป็นความสําคัญที่วันนี้อาตมาอยากจะมาเปิดเผยพุทธวจนะให้พวกเราได้ทราบ พวกเราจะได้อยากได้อะไรปรารถนาอะไรเราจะได้ได้สิ่งนั้นได้ได้จริงนะถ้าเราไม่อยากตกต่ําในชาตินี้และชาติหน้าพระศาสดาบอกสามอย่างพระองค์ถอยพระชาติพระองค์ไปเกสบเอ็ดกับนะพระองค์ไม่เคยตกต่ําเลยพระองค์ก็พิจารณ์ด้วยเหตุอะไรพระองค์ไม่เคยตกต่ําเลยถึงเกเอ็ดกับ พระ อ, องค์พิณาและพระ อ, องค์มีสมอย่างหนึ่งพระ อ, องค์มีทานการให้ 2. ธรรมะความข่มใจ 3. สัญญมะความสำรวมระวังสข้อนี้ใครมีเกิดทุกภูทุกชาติไม่มีตกตำ่ำพระ อ, องค์บอก อ, องค์เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชามหากริย์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเกิดเป็นเทวดาก็เป็นเท้าสักกะเป็นจอมแห่งเทวดา เกิดเป็นพรหมก็เป็นมหาพรหมไม่เคยตกต่ํำเลยสักครั้หนึ่งนะมันเป็นเพราะเหตุอะไรสามอย่างนี้ทานการให้ธรมะความข่มใจสัญญะความสำรวมระหว่างสำรวมใจอยู่กับกายธรมะข่มใจเห็นเขาโกรธเราจะไม่โกรธเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเขาทําอะไรไม่ดีลิษยาตรณีโอ้อวดมายาดูหมิ่นท่านยกตนข่มท่านหัวดือ้อเราจะไม่ทําอย่างนี้ ไม่ทะเลาะบ่กแววงกันด้วยเราจะมาข่มใจตัวเราเองนะ <c oughs> เหตุปัจจัยอะไรของการได้มาซึ่งความปรารถนาเราปรารถนาอะไรแล้วจะได้ตามนั้นพระองค์บอกให้ทำสี่อย่างนะยมนึกคิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะได้ตามปรารถนาถ้ายมทำสี่อย่างให้มากหนึ่งให้เป็นผู้บริบูรณ์ในสินนะคารวะก็คือสิน5้า ถ้าสินห้าเราบริบูรณ์เนี่ยได้กรละหนึ่งะอย่างที่สองเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นผู้ไม่เห็นห่างจากฌานไม่เห็นห่างจากฌานเนี่ยยากไหมนะแค่รู้ลมหายใจสูตรลมเข้าปล่อยออกในเวลาชั่วรับนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้พระเจ้าบอกว่าเธอไม่เห็นห่างจากฌานแล้วนี่พระองค์ขอน้อยมาก ผู้เจ้าไม่มีพูดเล่นไม่มีพูดเพ้อเจ้อแต่พูดสัจจกความจริงตลอดนั่นคือขณะที่ยมรู้ลมหายใจสูรเก้าปล่อยออกเรากำลังจะได้มาซึ่งปฐมฌานสมาธิขั้นที่หนึ่งนั่นประการที่สามประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา <c oughs> วิปัสสนาคือปัญญาปัญญาให้เห็นเห็นการเกิดและการดับ เกิดดับเนี่ยคือตัวอริสสัตตินั่นเองเห็นเกิดดับคือเห็นอริสสัตติสมุทัยกับนิโรธ น, นี่คือข้อที่สข้อที่สี่ผู้เจ้าบอกว่าให้สุญญาคารวังอกงามคืออยู่เรือนว่างบ้างนะอยู่ป่าบ้างท้องถ้ำเชิงเนื้อผาป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งหลอมฟังในเรือนว่างห้องว่างๆเงียบๆหรือวิเวกหลีกเลนบ้าน ถ้ายอมมีการกระทำสี่อย่างนี้พระองค์บอกว่าเธอปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จผลตามความปรารถนานั่นน ะ, นะต้องลองสร้างเหตุปัจจัยดูนะอันนี้ <c oughs> โดยตรงจากปากของพระตถตาคต น, นี่แหละประโยชน์ที่เราจะได้โยนนะยมดูบางคนนะเพียรพยายามแทบตาย มันไม่สําเร็จไม่เจริญไม่ใช่คนทุกคนในประเทศไม่ขยนันขยันกันทั้งนั้นนะแต่รวยบ้างจนบ้างสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างมันมีเงื่อนไขเหตุปัจจัยเยอะแยะพระเจ้าบอกว่าคนเราเป็นพระราชาก็าเพราะกรรมเป็นพ่อค้าวานิชก็เพราะกรรมเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นนักบวชก็เพราะกรรมกรรมเป็นตัวจําแนกผลคือกรรมทางกายวาจาจิตของตอนเองนั่นเองน่ะ สิ่งที่อยากให้ทราบอีกอย่างหนึ่งเกี่ <c oughs> ยวกับเรื่องของกรรมพระองค์ต <c> ร <oughs> <c oughs> <P ra> ัส <ong> ว่ามิจฉาทิฏฐิสี่อย่างเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครบันดาลกรรมหรือสุขทุกข์ให้เราได้นี่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันซึ่งชาวพุทธอาจจะเข้าใจผิดกันค่อนข้างมากจึงทําให้เราเนี่ยไปพึ่งพาสิ่งอื่นนอกจากตัวเราเอง ทั้งๆ ท, ที่ตัวเองมีศักยภาพสูงมากมีศักยภาพสูงแม้แต่การเป็นพระล้านหันและการเข้าถึงวิมุตติหลุดพซึ่งเทพเทวดาทั้งหลายยังต้องมาเคารพสักการะบูชาผู้มีจิตลุผลนั้นพระเจ้าจึงบอกพระโสดาบันอริบุคคลขั้นต้นเนี่ยจะต้องละความเห็นผิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นบันดาลเราเนี่แหละทำํำเองได้ฝึกกายดีวาจาดีจิต ด, ดี และกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันนะกรรมอะไรที่ทำแล้วจะให้ผลในปัจจุบันทันทีไอ้กรรมเร็วย่างอื่นรอไว้ก่อนคือการทำสมาธิแปดระดับขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้นะใครทำสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานคือแค่อคุสลดับรู้ลมหายใจตัวนี้จะส่งผลก่อนนะโยม อ, อยากให้ได้ผลเร็วส่งผลก่อนทำกรรมอะไรดีทำสมาธิ นะรู้ลมหายใจเข้าออกละอกุศลการมไปบานเบียนเบียนคืออกุศลสามอย่างนะนั้นถ้าละสามอย่างนี้ได้กรรมตรงนี้ส่งผลก่อนโยมตั้งจิตอธิษฐานลายปรารถนาลายมันจะสำเร็จนะเป็นแบบนี้กรรมสี <c> ่ <oughs> อย่างคร่าวๆที่จะต้องละความเห็นผิดได้ได้นกรรมไม่ได้เกิดจากนะผู้อื่นบันดาล ตนเองบันดาลทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยประจักสาเหตุท่นี้มาดูตนเองบันดาลโยมอาจจะงงนิดหนึ่งว่าเอ๊ะก็กายวาจาจิตของเราเนี่ยทำเองแล้วตกลงแล้วจะทํำยังไงนี่ตนเองก็ไม่ใช่นั้นอยากให้ทุกคนลองดูสายปฏิจจสุบาทนะปฏิจจสุบาทคือลําดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายว่าตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้ตรงเนี้ยเป็นตัวบอกว่าตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเรา ก็จะมีคนถามพระเจ้าถ้าอยองไปดูตัวของสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะจึงมีปัสสะสลายยตนะคืออายยตนะภายในหกภายนอกหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมลมตากระทบรูปคือสัมผัสมีอายยตนะจึงมีสัมผัสนั่นเองใช่ไหมมีคนถามพระเจ้า ว, ว่าอายยตนะเนี่เป็นของไกลนะพระเจ้าบอกไม่มีของไกล ลุกตาเป็นของใครหูเป็นของใครจมูกเป็นของใครในธรรมชาตนลึกแล้วไม่มีเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นนะอ่านั้นสัมผัสต่างๆที่เกิดขึ้นจากสลายนะจึงเกิดจากกระบวนการของธรรมชาติและเมื่อสัมผัสแล้วจะเกิดอะไรเวทนาตัณหาอุปาทานอาตมายกตัวอย่างให้ง่ายๆเวลายมเดินไปห้างอยากซื้อเสื้อสักตัวหนึ่ง ทำไมยมอยากซื้อเสื้อตัวนี้ไม่อยากซื้อเสื้อตัวอื่นซึ่งมีตั้งหลายร้อยตัวในห้างเป็นเพราะอะไรนึกออกมาต้องชอบก่อนใช่ไหมยงมพอใจหรือชอบเสื้อตัวนั้นความอยากได้จึงมีมาถูกต้องั้มชอบหรือเวทนาจึงเป็นเหตุปัจจัยของความอยากชอบต้องมาก่อนอยากจึงตามมาอ่มีใครซื้อเสื้อไม่ชอบมาใส่ไหไม่มีนะอ่า ก่อนความชอบเกิดอะไรเกิดนึอกออกมาคือตาไปเห็นได้เห็นเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสดังนั้นสัมผัสหรือผัสสะจึงเป็นเหตุให้เกิดเวทนาจากนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาความอยากถ้าโยมรู้กระบวนการจิตของมนุษย์ทั้งโลกอย่างนี้นะโยมสามารถอะไรวางยึดยุทธศาสตร์การค้าได้น ะ, นะออเพราะโยมจะรู้รายละเอียดของจิต วัดจิตมนุษย์จะเป็นยังไงแอบสัมผัสกระทบก่อนโยมต้องสร้างความกระทับใจขณะที่สัมผัสกระทบครั้งแรกให้ได้จะเป็นทางเสียงทางตาทางจมูกนะทุกทางเลยทุกช่องทางและทางไหนในห้าช่องทางของกายแรงที่สุดไม่กลอกมไหมโยวว่าตาหูจมูกลิ้นกายห้าช่องทางของกายอันไหนแรงที่สุดตาละ่ะไม่ใช่พระเจ้าบอกลิ้น ไม่น่าเชื่อเห็นนะอ่าเนี่ยเราจะได้รู้ความจริงมีอันหนึ่งผู้เจ้าบอกเจ้านายเนี่ยนะจะผูกใจลูกน้องไงรู้ไหมแบ่งของมีรสชาติประหลาดให้จะทำให้ลูกน้องรักลิ้นมันแรงสุดสังเกตได้ยังไงรู้ไหมเวลาตาชอบเนี่ยหูชอบด้วยไหมไม่เกี่ยวนะเวลาจมูกชอบตาก็ไม่เกี่ยวด้วยหูก็ไม่เกี่ยวแต่ลิ้นเนี่ยขอด้วยหมดนะ เวลากลิ่นหอมๆมานะลิ้นก็ <c oughs> น่ากินนะอาหารนี้นะพอาตาเห็นอาหารปุ๊บลิ้นขอด้วยอ่าพอเพื่อนพูดถึงโอ้ล้านนี้ส้ตมตำมา่อยมะนาวเปรี้ยวลิ้นจี๊ดขึ้นมาเลยอ่าลิ้นเนี่ยเอี่ยวด้วยทุกายยนะ อ, าอายตนะอ่าอายตนะไหนชอบจันชอบด้วยเนี่ยอ่าให้สังเกตได้ทีผู้เจ้าเรียกตรงนี้ว่ากับผ้าลีกาลาอาหารอาหารคือคำข้าวใครละ ความพอใจในรสชาติทางลิ้นได้เนี่ยหลุดพ้นได้อริบุคลขั้นอนาคามีเลยนี่อนาคามีบุคคลเฉียดพมืลานอีกนิดเดียวเห็นไหมโอ้ <c oughs> oh, เรื่องอาหารเป็นเรื่องสําคัญซึ่งมันซุกซ่อนนะเราไม่รู้เรื่องเลยนะใช่เราคิดว่าตาต้องแรงหูต้องแรงลิ้นตัวดีที่สุด <c oughs> ไม่มีมรรคตธีที่บอกวางตาแล้วหลุดพ้นวางหูแล้วหลุดพ้นจะมีบอกวางลิ้นแล้วหลุดพ้นนี่อ่าได้อนาคามี <c oughs> นี่แหละความจริงต่างๆที่เราจะทราบเราเคยเรียนกันมานะว่าผู้เจ้าแบ่นมนุษย์เป็นบัวกี่เหล่าอย่สี่เหล่าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพระตถาคตตัดบัวแค่สามเหล่าลองไปดูพระสุบนี้ข้อมูลสองพันห้าร้อยกว่าปีตัดกับราชกุมาร นไหว่าเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขูแล้วนะเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีทุลีในดวงตาน้อยบ้างมากบ้างอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างเปรียบเหมือนในหนองบูอุบลบัวปฐุมบูวุนทริดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำนี่พวกแรกจมอยู่ในน้ําพวกที่สองบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจเลยในน้ําอันน้ําพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ํานะอ่านี่ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ํา อันที่สามบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำจะเลนในน้ำอันน้ำพยุงไว้โผล่ขึ้นบนน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีชั้นใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันชั้นนั้นหนึ่งสองสามจบแล้วสามพวกไม่มีพวกที่สนะีนะ่นั้นถึงบอกว่าบัญทีข้อมูลเราเนี่ยอิดมาตั้งแต่แรกอาตมาก็เหมือนกันก็เรียนมาจากกระทรงเดียวกันกับพวกโยมนะก็จามาเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ต้องมาตรวจใหม่นะ มีหลายอย่างมากเลยที่เราเคยทราบว่าศาสนาอายุห้าพันปีผู้เจ้าก็ไม่เคยตรัสนะเคยได้ยินคําว่าแ0 0 0มื่นสี่พันพรธ ร, รมการไหมเราจะสแกนให้ดูลองสแกนคําว่า8 000, 000, ป0หมนพัระธรรมการให้ดูว่ามีในบาลีสามลัฐข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกไหมที่ประเทศไทยถืออยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ั้นเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เราก็คีย์คาว่า8 000, 000, ปดหมี่พันพระธรรมการเข้าไปแล้วก็กดค้นหา ไม่พบคําว่าแปดหมืสี่พันพระธรรมาการ น, นะอ่ามันมีการพูดกันเยอะเลยแต่เป็นคํำที่ถึกแต่งขึ้นใหม่ถ้าเราใช้คําว่าตัวเลข8ปดหมสี่พันอย่างเดียวลบพระธรรมาการไปมันหาเจอไหมว่ามีอะไรบ้างนะกดค้นหาพระสูตจะขึ้นมานะเราดึงมาสักเรื่มนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร <c oughs> นะชาวเมืองพันธุมดีราชธานีประมาณแปดหมื่นสี่พันคนนะจะมีช้างแปดหมื่นสี่พันตัวม้าแปดหมื่นสี่พันตัว เรื่องเกี่ยวกับแปดหมสีพันเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่เกี่ยวกับพระธรรมคำสอนของพระองค์นะนี่คือการแยกแยะคําที่แต่งขึ้นใหม่กับคําของพระตถาคตห่อกนั้นเวลาเราย้อนกลับไปที่แผ่นพนับนี้ที่พงศ์บอกว่าสุตตันต์เราใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่นะอย่าไปฟังนะเราจะสับสนเราจะงงให้ฟังแต่คําตถาคตนะถึงบอกวันนี้เป็น วันที่สําคัญว่าอตาตมาต้องมาประกาศคําตถาคตให้พวกเราได้ทราบบอกที่มาที่ไปเหตุผลหลักฐานทุกอย่างได้จากนั้นโยมไปสืบคนเองได้เพราะณวันนี้เรามีหลักฐานเท่ากันในมือทุกคนมีบาลีสยามรัฐอยู่ในมือทั้งบาลีและไทยอย่างละสีผ้าเล่มไม่มีใครโกหกใครได้นะ น, ะ, นะและโยมอยากจะรู้เรื่องอะไรในพุทธศาสนาความจริงอะไรที่ต ถ, ถาคตเคยพูดไว้เมื่อสองพน้อยกว่าปีโยมสืบคนได้หมดเช่นอ้าพระพุทธเจ้าเนี่ย จะมีผมใช่ไหมส่วนใหญ่แต่ผู้เจ้าให้รักษาวกปงผมทุกสองเดือนห้ามไว้ผมเกินสองเดือนหรือยาวเกินสองนิ้วเป็นพระวินยัย <c oughs> แต่ผู้เจ้าไว้ผมผู้เดียวหรือเปล่านะตกลงแล้วจะตรวจยังไงเราไปสืบค้นดูปรากฏว่าบริบทต่างๆที่พวกปริพาชกเนี่ยเขาเรียกผู้เจ้าแต่ก่อนเนี่ย เขาเรียกผู้เจ้าว่าสมณะหัวโลนหรือคนโลนนะภาลัทวาชะเห็นผู้เจ้าเดินมาแต่ไกลแต่คนเรียกผู้เจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลนหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเห็นไหมผู้เจ้าเลยถามเธอรู้ไหมคุณจะทำอะไรที่ทําให้คนเป็นคนถอยเขาตอบไม่ได้ผู้เจ้าก็เลยอบรมภาลัทวาช ะ, สะเสลยนะเป็นอย่างนี้เนะี่ยเราจะเจอพระสูตรเหล่านี้มากนะนางพราหมณี ศรัทธาผู้เจ้ามากกราบไหว้ผู้เจ้าทุกคืน่นสามีนางพระมณีบอกว่าไม่สนใจอะไรกับสมณะโหลลนคนนั้นนี่นั่นแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราลงผมด้วยเหมือนกันอย่างนี้เ น, นังสือค้นดูจากหลักฐานพวกนี้นะเราจะได้ความจริงทั้งหมดทุกเรื่องนะเพราะคําผู้เจ้าไม่มีการขัดแย้งกันเราจะเห็นถึงความสอดรับกันของคำตถาคตนะเวลาเราอยากจะสวดมน อาจารมาทําหนังสือสาธยายทําให้ด้วยวันนี้นํามาแจกให้กับพวกเราด้วยเราจะสวดมนต์เราจะสวดอะไรพระศาสดาสวดอะไรนะวันนี้ชาวพุทธเราไม่ทราบว่าตถาคตเนี่ยเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวเนี่ยสวดอะไรนะคะําว่าสวดเนี่ยบาลีใช้คําว่าสัจชายะนะสาธยายทำหรือการสวดมนต์ที่เราเรียกกันเราสวด กันเยอะแยะเลยคาถาจิปาธาสารพัดอย่างแต่จริงๆแล้วตะถาคตสวดอะไรพระตะถาคตสวกดกฎอิทัพปัจจยตาสวดปฏิจจสุบานไม่ถึงห้านาทีจบแล้วนะอิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาธาอีทางอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสติทางนัโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี อิมัสสานิโรธาอีทังนิรุชติเพราะการดับไปงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่คือกฎธรรมชาติทั้งโลกทุกโลกธาตุกรมเทวดามนุษย์นรกกัมเนศฌานเปรววิสัยตกอยู่ภายใต้กฎนี้สี่บรรทาดแค่นั้นเองเพราะอะไรมีอะไรมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนั่นไม่หลุดไปจากกฎนี้กฎนี้จึงถูกเรียกว่ากฎอิทัพปัจจยตา นี่พระธถาคตสวดตรงนี้แค่นั้นเองสีบรรทัดง่ายๆนะและมีการขยายจากกฎสีบ่บรรทัดนี้ออกไปนะจากกฎสีบ่บรรทัดนี้นะจะถูกขยายไปเป็นรายละเอียดนะที่เรียกว่าปฏิจจสุบาทซึ่งจะประกอบด้วยกฎสีบ่บรรทัดนี้นะ ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะประอกอบด้วยอิทัิปยาตาแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคู่เรียงร้อยกันมาเพราะนั้นกฎอิทัิปยาตาเป็นหลักเป็นหลักการเป็นหัวใจของปฏิจจสมุปบาทลองไปดูปฏิจจสมุปบาทว่ามีอะไร เพรามีอวิชาเป็นปัจจัยจะมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจะมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจะมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจะมีสลายนะไล่นี่คือลำดับเหตุของความตายพระงเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความตายใช่ไหมว่าไม่ต้องตายจะทําอย่างไรต้องเข้าไปรู้เหตุมันก่อนว่าความตายมีเพราะเหตุอะไรและถ้าเราเข้าไปดับเหตุความตายจะไม่มีความตายจะดับไปได้ทําทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเราแก้ที่เหตุ ผลมันจะแก้ได้เพราะนั้นทุกวันนี้เราจะแก้ปัญหาของบริษัทหรือของประเทศก็ตามต้องไปหาเหตุมันก่อนหลักอกริยสัจสี่เลยนะนั้นและถ้าเราแก้ได้ที่เหตุแล้วเนี่ยผลมันจะออกมาเองดังนั้นนี่คือ <c oughs> กฎอิทัิพยต า, าแต่ละคู่เช่นยกตัวอย่างนห้เร็มดูว่าเมื่อสิ่งนี้มีคือถ้าสลายยตนะมีสัมผัสจะมีหรือผัสสะจะมี เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะถ้าสิ่งนี้ไม่มีคือถ้าอายตนไาาะไม่มีเนี่ยผัสสะจะไม่มีถ้าลูกตาไม่มีเนี่ยสัมผัสมีไม่ได้นะเพราะการดับไปห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเพอไหมบรรทัดหนึ่งถ้าผัสสะมีเวทนาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นถ้าผัสสะไม่มีเวทนาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเาาาวทนาจึงดับไปเลี้ยงไล่กันมาจนัึงความตาย ถ้าเกิดไม่มีตายไม่มีแน่นอนและอะไรเป็นตัวสร้างการเกิดจิตจิตสร้างการเกิดตลอดเวลาเลยนะเรานั่งอยู่นี่เดียไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่นนืาการเกิดอย่นั่นคือพบนะสถานที่เกิดถ้าเราตายขนาดนี้จิตกำลังไปคิดเรื่องใดปุ๊บไปเกิดตรงนั้นเลยนะพระองค์บอกว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดําริดถึงสิ่งใด หรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณย่อมคิดเรื่องอะไรดรําเดี๋เรื่องอะไรนั่นแหะวิญญาณตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วนี่เป็นอย่างนี้ให้เรารู้ความจริงว่าวิญญาณคือจิตของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วมันออกนอกกายเราตลอดเวลาด้วยทุกครั้งที่เราคิดมันออกไปข้างนอกแล้วพระองค์จึงบอกว่าให้ละความคิดให้มากละนันทินันทีแปลว่าความเปลืน่น นะรีบเวลาคิดอะไรเนี่ยรีบวางให้ไวแล้วกลับมานะนั้นอันดับแรกของความคิดคือทิ้งอกุศลก่อนเพราะอกุศลกำลังเป็นความคิดที่พาเราไปสู่อบายถ้าเราตายร่างกายอัตภาพคือรูปกายตายไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปเกาะวิญญาณขานเราไปเกาะตรงนั้นเนี่ยเราจะได้อัตภาพใหม่ตามนั้นซึ่งพระุทธเจ้าบอกเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอคุณก็ดีเราจะได้อัตภาพตามนั้น นั้นบางทีเราทําบุญมาเยอะแยะเลยแต่ไม่เคยฝึกจิตก่อนตายจิตไปเกาะอกุศลผัวไปตรงนั้นก่อนนะนี่จึงเป็นเหตุปัจจัยว่าทําไมจะต้องมาทําสมาธิเดี๋ยวมีเวลาจะได้นั่งสมาธิสักหานาทีนะอ่านฝะึกพอได้จุดประกายก่อนว่าเออเราจะฝึกจิตยังไงตามพระศาสดาใช่ไหมนะเพื่อให้ภบของเราภายหน้าจะได้ไม่หลุดไปสู่บายนะอืม ถ้าสูตรเหล่านี้จําไว้ดีๆนะคิดเรื่องอะไรนึกเรื่องอะไรเนี่ยหรือมีจิตฝันลงไปเรื่องอะไรนะเป็นอารมณ์เพื่อกันตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้วโดยหลักพระศสดาให้เอาจิตอยู่กับกายให้มากเอาจิตอยู่กับกายอย่าเอาจิตไปอยู่กับที่อื่นน ะ, นะกายยัข่าสติวางจิตอยู่กับกาย น, นั้นถ้าเราวางจิตอยู่ที่อื่นเนี่ย พรองค์เปรบเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดเวลาเราจิตหลุบไปคิดเรื่องอะไรเพราะขณะนั้นก็คือวิญญาณขานันธ์ไม่ได้อยู่ในกายเราแล้วมันตายไปชั่วเซี่ยววินาทีแล้วแต่จิตมันเกิดดับเร็วมันเข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเป็นอย่างนี้ <c oughs> อยากให้ทราบอีกเรื่องหนึง่งนะ เป็นเรื่องที่เราเชาวพุทธพูดกันเยอะแต่ไม่ตรงกับพระผู้มีพระภาคเจ้ายมเคยได้ยินคำว่าวิญญาณเว็ยนว่ายตายเกิดไหมเคยได้ยินนะใครพูดคำนี้ในกล้งกุทธกาลผู้เจ้าตําหนิว่าเป็นโมฆบุรุษ โ, โอ้โดนว่าแรงเลยนะนะอาตมาก็เคยพูดนะเดี๋ยวนี้ต้องเลิกพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพูดไม่ได้ละ เป็นคนพูดภิกษุชื่อสาติเกวตตบุตรเป็นคนพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดผู้เจ้าเลยเรียกมาสอบสวนพร <c oughs> ะสาติเขาบอกว่าใช่เขาพูดอย่างนั้นก็เลยตำหนิว่าโมคบุรุษนะเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้เมื่อแสดงแก่ใครเล่าไหนตถาคตแสดงแก่ใครว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่เคยพูด ใครพูดคำนี้พระองค์บอกว่าเธอย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือเอาผิดด้วยตัวเองถือเอาถ้อยคําผิดแล้วมากล่าวตู่ระศาสดาย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยโอ้โหกลายไปอย่างนั้นน ะ, นะข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานแค่พูดผิดนิดเดียวเพราะอะไร เพราะเราจะไม่สามารถแกะเข้าถึงธรรมชาชั้นลึกได้คือหลุดพ้นได้เราจะต้องอยู่ในสังสารวัตรไปอีกการยาวนานเนี่ยแค่นี้มันก็มีความทุกข์แล้วเห็นไหมคือทุกข์คือต้องอยู่ในสังสารวัตเพราะเราจะคิดว่าวิญญาณไม่ตายวิญญาณอยู่ตลอด ท, ทั้งทั้งที่วิญญาณ เ, เกิดดับเกิดดับตลอดเวลานีน่ยความเข้าใจผิดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใช้บทปัญชนะนี้ผิดผู้ช่วยจึงต้องตําหนิไว้มากๆากนะ แล้วใครเป็นคนเวียนไหวตายเกิดเราได้สับใหม่วันนี้จะมาได้สับใหม่น <c oughs> คนเวียนไหยตายเกิดที่แท้จริงคือสัตว์หรือบาลีใช้คำว่าสัตตานังพระองค์บอกว่าสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏ บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากรลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้อเลสัตต์ทั้งสี่นั่นเองดังนั้นไม่ใช่วิญญาณแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นสัตว์แล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นแล่นจากรลกอื่นสู่โลกนี้สัตว์เป็นผู้เวียนว่าตายเกิดนะมี่สองพสูตรแล้วนะแล้วไปดูพระสูตรที่สาม พระองค์ให้นิยามคำว่าสัตว์ด้วยว่าสัตว์คืออะไรสัตว์หมายถึงอะไรบอกราคะความพอใจอันใดนันที่อันใดราคะอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยพระองค์เรียกว่าสัตว์เห็นไหมสัตว์เป็นคนเข้าไปยึดวิญญาณวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไร นะวิญญาณไม่รู้เรื่องวิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเป็นเพียงาธาตุรู้ที่รู้มาแล้วก็ดับไปรู้มาแล้วก็ดับไปแต่สัตวตานังเนี่ยเป็นคนเข้ามาหลงยึดขันทั้งห้าว่าเป็นตัวมันแล้วเกิดตายไปกับขันห้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ต่งางๆนี่คือความจริงนะที่เราต้องทราบจากพุทธวจนะนะเราจะได้แก่ ธรรมะเข้าถึงอมะตะธรรมมรรผลนิพพานได้เพราะเราจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยวิญญาณเราเนี่ยที่อยู่ณปัจจุบันเนี้ยไม่ได้เป็นอมะตะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยเราทั้งหลายคือสัตวานัง น, นั่นเองกู้มาหลงยึดขันห่าว่าเป็นตัวมันของมันนะถ้าถอนความยึดมั่นได้แล้วปฏิบัติมรรคเมลงแปดจนอวิชชาหมดแล้ว พวกเราจะได้ชื่อใหม่ไม่ใช่ชื่อสัตตานังแล้วจะได้ชื่อว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติซึ่งทุกคนมีหมดดังนั้นเหตุผลตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าไม่มีใครในโลกนี้เป็นคนเลวเพราะทุกคนคือวิมุตติกันหมดเลยเพียงแต่หลงเข้ามาในสังสารวัตรกินทาดีบ้างเลวบ้างนะณนะวันหนึ่งที่เขารู้อริ ส, สัตถีมรตมิงแปด เขาสามารถถอนตัวเขาขึ้นมาสู่มีมุติยันทัศนะความหลุดพ้นได้ทุกคนนะอ่าก็บรรยายคร่าวๆมาตอนนี้มีใครสงสัยจะซักถามอะไรั <c> ้ย <oughs> เผื่อมีข้อสงสัย วันนี้ได้รู้ของใหม่หลายเรื่องห <laughs> ลุกหลวงหลวงพ่อครับเรียนถามนิดนึงครับความหมายที่หลวงพ่ออธิบายนี่หมายถึงว่าวิญญาณเนี่ยอยู่กับเราแต่เมื่อเราตายไปในชาตินี้วิญญาณก็สูญสลายแต่ว่าสัตว์ที่เป็นตัวจญญาณเนี่ยวนบินอยู่ตลอดอยู่ตลอดใช่แล้ววิญญาณเนี่ยเมื่อเกิดชาติใหม่พบใหม่วิญญาณเนี่ยกลับมาเกิดใหม่นะฮะไม่ขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยวิญญาณก็เกิดดับตลอดเวลาครับ ทุกครั้งที่จิตเราเปลี่ยนความรับรู้เนี่ยวิญญาณดับแล้วเกิดแล้วอ่าวิญญาณนี่เกิดดับยุบยิบตลอดเวลาเลยมากมายเต็มโลกธาตุวินาทีหนึ่งนี่มันโอ้เกิดดับไม่รู้เท่าไหร่ไปสู่วิญญาณของเราแหละครับใช่ก็เกิดดับเกิดดับตลอดเกิดดับใช่มันเกิดดับเร็วมากจนกระทั่งเราเนี่ยมองไม่ออกว่ามันเกิดดับนะเหมือนกับไฟฟ้าที่เรามองไม่ออกมันกระพริเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอด มันเร็วขนาดนั้นนะพระองค์เนี่ยบอกว่าความเร็วของการเกิดดับของวิญญาณยากจะหาอุปมาด้วยซ้ํามันสุดยอดของความเร็วนะเปรียบเหมือนเม็ดฝนเนี่ยโยมเห็นฝนตกลงมาในผิวน้ําในท้องทะเลหรือมหาสมุทรหรือแม่น้ำนะเกิดเม็ดฟองขึ้นมาบนผิวน้ํามากมมากเร็วมาป๊อปป๊อปป๊อปป๊อป ป, ปไปหมดเลยนั่นแหะอุปมาเหมือนวิญญาณเกิดกับในโลกธานนี้มากมายมหาศาลรวดเร็ว สัตว์ผู้มีวิชาจะไปเกาะวิญญาณตรงไหนกันนั้นเองนะการกาะของมันเขารวดเร็วมากจึงทําให้เรารู้สึกเนี่ยไม่สะดุดเลยเวลาจิตเราเปลี่ยนความรู้ความคิดนิ่งต่อเ น, นื่องเนียนมากเลยนะเหมือนเห็นแผงไฟโฆษณาเป็นไฟวิ่งแต่จริงๆแสงไม่ได้วิ่งใช้ดับเกิดดับเกิดดับเกิดเห็นไหมเหมือนกันเลยวิญญาณเกิดดับตล อ, อดอย่อางนี้แล้วอาจารย์แล้วที่ใช้คําว่าจิตวิญ ญ, ญ, ญาณเนี่ย อย่างทุกวันนี้ที่เราดำรงอยู่ได้เนี่ยมีสติมีมีความรับรู้ <c oughs> เห็นทำสัมผัสอะไได้เนี่ยมันมาจากจิตวิญญาณของเราเนี่ยจริงๆมันคืออะไรให้ในเมื่อวิญญาณเกิดดับเกิดดับเนี่ยตัวเราเนี่ยมันเป็น<ช>อะไรคนที่รู้เรื่องจริงๆคือสัตตานังสัตนะหรือบาลีใช้คําว่าสัตตานังสัต์นี่ยเป็นคนรู้ทุกเรื่องนะและขณะนี้สัตว์คิดว่าวิ ญ, ญญาณเป็นมันณนะวันนี้ยสัตเนี่ยมันคิดว่าวิ ญ, ญญาณเป็นมัน ดังนั้นวิญญาณกัตริย์ตอนนี้เป็นตัวเดียวกันอยู่แต่ชีวิตจริงๆเนี่ยคือสัตว์นะนะเป็นอย่างนี้ที่เวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อยๆแต่วิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเกิดดับตลอด ป, ปุ๊บปุ๊บตลอดเวลาเลยนะนวัต ก, การเจ้าคะ่ะเออโยมคิดว่าไอความเข้าใจในเรื่องของขันห้าที่เป็นเป็นกายยาวาหนาคืบเนี่ยกับเรื่องของจิตที่เป็นวิญญาณเนี่ยมันอมตอนนี้ยังกําลัง ต้องแยกส่วนนี้ออกหรือเปล่าเจ้าคะระหว่างขันห้ากับจิตหรือวิญญาณที่พระอาจารย์กำลังอธิบายเพราะว่าเราคิดว่ามันคือถ้าในภาษาคนเนื้อคิดว่ามันคืออันเดียวกันแต่ที่พระอาจารย์อธิบายมันจะแยกส่วนกันส่วนที่เป็นขันห้าก็เป็นกายเราซึ่งจิตเราเนี่ยจะจะไม่ได้ตายไปด้วยถ้ากายนี้ตายอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าคะอ๋อไมเอาเอานิยามคาว่าจิตก่อน นิยามชื่อธรรมชาติผู้เจ้ายัางต้องเป็นคนบรรยาติเลยเพราะมันละเอียดอ่อนมากนะคำว่าจิตวิญญาณอะไรเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าจิตมโนคือใจวิญญาณคือตัวเดียวกันหมดมีสามชื่อและชื่อที่สี่ของมันคือวิชานาตินะผู้เจ้าบอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไนะยืนยันโดยพุทธวจนะ พระองค์เข้าไปเห็นแล้วว่าวิญญาณเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยอย่างนี้และพระองค์ก็บอกเลยว่าจิตใจวิญญาณตัวเดียวกันนะอ่าและจะมีอีกอันหนึ่งที่พระองค์อธิบายเรื่องวิญญาณว่าวิญญาณคืออะไรคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์สีอารมณ์ที่มันรู้แจ้งมันจึงถูกเรียกวิชานาติอีกชื่อหนึ่งผู้รู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์ที่มันเข้าไปรู้แจ้งได้คือรูปคือร่างกายเราเนี่ย 2อเวทนาคือสาความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาอย่างที่สความจำได้หมายรู้คือสัญญาความจำทุกคนมีหมดนั่นน่ะวิญญาณเป็นคนเข้าไปรู้อย่างที่4ี่ความคิดปรุงแต่งยงคิดไปในอนาคตเนี่ยวิญญาณเป็นคนเข้าไปรู้ดังนั้นเวลายงรู้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีสองธรรมชาติทำงานด้วยกันเสมออย่างเช่นถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าออกนั่นคือวิญญาณมาเกาะอยู่กับกาย ขณะที่นั่งสมาธิรู้ลมเข้าลมออกหลุดไปคิดปั๊บเช่นไปคิดอดีตวิญญาณไปก่อสัญญาดับไปแล้วตัวดวงหม่ไปก่อสัญญาเห็นไหมเร็วไหมขณะที่ไปคิดเรื่องอนาคตฟุ๊กนี่วิญญาณดวงนี้ดับไปแล้ววิญญาณดวงหม่ไปก่อนนี่แหละขณะไปรู้สึกสุขทุกพอใจไม่พอใจวิญญาณดวงนี้ดับวิญญาณดวงหม่เกิดไปแล้วนี่วิญญาณจะาวนเกิดดับอย่างนี้ตลอดเวลาเลยใครเห็นตรงนี้ผู้เจ้าบอกนั่นกําลังเข้าสู่ภูมิธรรมโสดาบัน ดังนั้นอริยบุคคลคือเข้าไปเห็นความเป็นตัวเราของเราธรรมชาติของเราเนี่ยว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะดังนั้นก้อนกายที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันมีวิญญาณเข้าไปรู้ห้าธรรมชาติที่เป็นความเป็นตัวเราเนี่ยมันมีห้าห้าธรรมชาตินะรูปกายของเราซึ่งมีวิญญาณเข้าไปรู้นะรูปเบธานาสัญญาสังขารวิญญาณนะที่เรียกว่าขันธ์ห้าเนี่ยคือความเป็นตัวเรา และ5ธรรมชาติเนี่ยมันทํางานอย่างกันยังไงวิญญาณหรือจิตหรือพโ น, โนเนี่ยเป็นคนเข้าไปรู้ในสี่ธาตุนี้เกิดดับเกิดดับวนไปวนมาอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งตรวจได้ด้วยตนเองทุกคนขณะที่เรานั่งเงียบๆสักนาทีเดียวเนี่ยจิตไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เดี๋ยวไปน้นนี่นี่ตลอดเวลาเลยนี่แหละดังนั้นวิธีตรวจสอบพระเจ้าจึงให้เอาจิตเนี่ยมาเกาะอยู่กับกายนิ่งๆเรียกกายยัตาสติ เช่นลมหายใจเอาจิตมาเกาะไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันทำงานยังไงจิตถ้าไม่เอาจิตมาเกาะตรงนี้เราจะไม่รู้เพราะอะไรเพราะขณะวิ ญ, ญญาณเกิดดับความเป็นเราจะเกิดดับไปพร้อมกับมันเราจะไม่เห็นว่าจิตเกิดดับมันจึงต้องฝืนฝืนให้จิตอยู่ที่ที่เดียวก่อนนะเรียกว่าสมถะนะให้จิตมีอารมณ์มันเดียวจากนั้นเนี่ยจิตจะแสดงความจริงของมันคือมันจะดับ แล้วสัตวตานังก็จะไปยิบปิญญาดวงใหม่ปั๊บนั่นแหละเราจะรู้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะหลุดจากลมไปแล้วนี่เราถึงต้องรักความเปลี่ยนแล้วกลับมาอยู่กับลมเข้าใจไหมอย่างเนี้ย <c oughs> และขณะที่เวลายอมหลุดไปคิดนะรู้ลมหายใจเข้าออกเงนี้นะแล้วหลุดไปคิดอย่างเนี้นะไม่ใช่วไม่ใช่ว่าวิญญาณเนี่ยวิ่งจากตรงนี้ไปตรงนี้นะหลุดไปคิดเรื่องหมาไม่ใช่มันวิ่งไปตรงโน้นนะ ผู้เจ้าบอกว่าขณะที่เธอมีการคิดเนี่ยวิญญาณดวงหนึ่งจะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดย ม, มคิดดูกระบวนการนี้มันเร็วขนาดไหนเร็วจนเราจับไม่ได้เนี่ยร่วงจึงตัดว่าปุถุชนผู้ไม่ ไ, มได้สดับในธรรมไม่มีทางรู้หรือว่าจิตเกิดดับไปตลอดการเลยต้องได้มาฟังธรรมพระผู้เจ้าเพราะมันเร็วสุดยอดของความเร็วเนี่ยการมาการไปผู้เจ้าเรียกการมาการไปของจิต ถ้าการมาการไปไม่มีตายและเกิดจะไม่มีแต่ถ้าการมาไปมีจิตมีมามีไปเนี่ยขณะมาไปจะมีตายและมีเกิดคือจิตดวงนี้จะต้องดับจิตดวงใหม่จะต้องเกิดน่สัตว์ผู้มีวิชาก็คว้าวิญญาณดวงใหม่ต่อไปเพราะวิญญาณดวงนี้ดับไปแล้วมันคิดว่าวิญญาณเป็นหมันมันก็คว้าดวงใหม่ต่อแล้วไปเกาะในลมใหม่อย่างนี้พระอาจารย์ถามถามเรียนถามครับว่า สรุปแล้วเนี่ยจิตกับวิญ ญ, ญาณเนี่ยเหมือนกันหรือว่าต่าง ก, กันอันเดียวกันอันเดียวกันมีสามชื่อมีสามชื่อใช่ชื่อจิตวิญญาณมโนใช่มโนหรือใจมโนหรือใจใช่แล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยที่ทุกวันนี้ที่ใช้อมว่วิญญาณเหมือนเวลาเราเห็นผีบร เ, เห็นวิญญาณนี่ก็ผิดใช่จริงๆตรงนั้นเนี่ยผู้เจ้าจะไม่เรียกไม่เรียกอย่างนั้นผู้เจ้าจะชี้ไปเลยว่าเปรตวิสัยอสุลกายยักษ์หน้าคนฐานอสูรเทวดา ล ม, มกายิการนังเทวานันนะอ่าติด ส, สับลมอะไรอย่างนี้คือชี้ไปเลยว่าเป็นอะไรจะไม่มีคํากลางๆว่าผีว่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าวิญญาณคือาธาตุรู้นั้นในสภาว่านั้นเนี่ยมันมีขันธ์ห้าครบมีวิญญาณอยู่ในนั้นอขาา้าใจไหมอย่างเราเห็นว่าเอ้ยวิญญาณ ล, ลั่ทธินั่นคืออัตภาพแล้วเกิดแล้วนั่นน่นนะมีแก่เจ็บตายมีโลภโกรธหลงมีวิญญาณอยู่ในนั้นแล้วอย่างเนี้ยพระอาจารย์อย่างนี้การ น, นั่งสมาธิที่ตะกี้พระอาจารย์ พูดในฝังเนี่ยความหมายคือว่าให้จิตอยู่นิ่งก็คือไม่ให้คิดอะไรเนี่ยจิตก็คือวิญญาณถูกต้องณเวลานั้นวิญญาณก็ยังไม่ยังไม่ดับถูกต้องเพราะฉะนั้นวิญญาณก็ยังคงอยู่ถูกต้องเช่นเรามองเห็นซึ่งจิตที่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันจะดับถูกต้องแล้วเราจับได้ใช่แล้วตัดตาดังในตัวเราก็จะไปจับวิญญาณอันใหม่ทุลิขานใหม่ใช่แล้วเราจะเกิดรู้เห็นตรงนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วนั่นคือเกิดเพื่อให้เกิดเบื้องเกิดโสดาบันคือครั้นแรกใช่ใช่พราะรู้ว่า กระบวนการธรรมชาติเนี่มันทํางานยันยังไงออนะครูเจ้าบอกว่าโสดาบันเนี่ยจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้จะวนรู้อยู่แค่สี่ธรรมธาตุนี้แค่นั้นนะโยมจะนั่งสมาธิปไปกี่ปีก็ตามมันก็จะคิดอดีตคิดอนาคตสุขทุกข์กลับมาลมวนอยู่แค่นี้ไม่เลยไปจากนี้พระอาจารย์รบกวนอีกครั้งฮะสี่ธรรมธาตุมีอะไรบ้างครับผมอ่ารูปนะสี่ธรรมธาตุที่มันวนไปเนี่ยคือรูปกายเรา แล้วก็เวทนานะคือสุกทุกอุเบกขาเนี่ยจิตยอมจะไปรู้นิดนึงแล้วก็สัญญาความจํานำะนะแล้วก็สังขารนะความปรุงแต่งที่ในพระสูตรที่ขึ้นให้ดูเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าวิญญาณเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เข้าถืออสัญญาก็ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นี่วิญญาณบนตั้งอยู่ในสี่ท่านนี้เช่นอย่างอาจารย์นะจะเรียนถามว่าถ้าอย่างงั้นในสภาวะของการนิพพานนะคะอันนี้อาจจะไม่เข้าใจสภาวะนิพพานสภาวะนิพพานเนี่ยจิตยังคงดับเกิดดับเกิดอยู่หรือเปล่าคะถูกต้องแต่สัตตานัง หลุดพ้นจากความยึดมั่นในจิตนั้นแล้วเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่นิพพานนะความเป็นนิพพานคือเรามันมีสิ่งมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะระบบใหญ่ๆจะมีสองระบบคือนิพพานหรือบีมุตนะหรือเรียกว่าอสังขตะธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้กับอีกธรรมชาติหนึ่งคือสมมุตนะหรือขันห้า รวมโลกเทวโลกมนุษย์โล ก, น, โลกนรกกันเดชานเปรตวิสัยสองระบบใหญ่ๆมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งหลุดเข้ามาหลงยึดในระบบนี้ขณะนั้นมันจะถูกเรียก ว, ว่าสัตตานังนะเมื่อสัตตานังรูม 8, ้มรตแ8ดอเลสสัตสีปฏิบัติวิชาเกิดขึ้นอวิชาหมดไปมันจะหลุดเข้ามาระบบนีนะ้ซึ่งถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติยันทัศนะผู้รู้ในวิมุตติซึ่งจะตั้งอาศัยในวิมุตติ ผู้ชาติจัดอย่างนี้อันนี่ให้ะให้เราให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดงนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกลับเข้าไปสู่ระบบของอสังกัตตาคือนิพพานระบบที่มันจะมีสามคุณสมบัติระบบฝั่งเนี้ยนะอุ ป, ปาโทปัญญาญาติไม่ปรากฏมีการเกิดนะวโยปัญญาญาติไม่ปรากฏมีการเสื่อมมันเป็นความไม่อยู่แต่เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏนะัติตสานญาต่างปัญญาญาติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏเลยนิ่งสนิท แต่รู้ทุกเรื่องนะนี่อสังกตะคือนิพพานเป็นอย่างนี้ดังนั้นนิพพานยังไม่ได้ขาดศูนย์นะใครคิดว่านิพพานขาดศูนย์เป็นมิจฉาทิฏฐินิพพานมีอยู่แต่ความมีของมันเกิดไม่ปรากฏแต่ความมีของสรรพสิ่งในโลกเนี่ยเกิดปรากฏทั้งหมดแก้วน้ําก็เกิดหนังสือก็เกิดอาคารก็เกิดคนก็เกิดเดรัจฉ า, านก็เกิดอารมณ์สุขทุกข์ก็เกิดความจําก็เกิดดบ วิญญาณก็ยังเกิดดับระบบนี้เกิดดับหมดสัจจะของระบบนี้คืออะไรสัตว์สี่นั่นเองสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับกองทุกข์ก็คือขันธ์ห้ามรรควิธีก็คือถอนอุปทานจากขันธ์ห้าออกมาให้ได้เป็นอย่างนี้เข้าใจไหดังนั้นเนี่ยนิยามศัพท์ต่างๆเนี่ยต้องใช้นิยามของผู้เจ้าเลยไม่งั้นโยงจะแกะเข้าถึงธรรมชั้นลึกไม่ได้ นิสาวกที่ไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะจึงถ่ายทอดบอกสอนเนี่ยผู้เจ้าบอกเขาจะทายถ่ายทอดบอกสอนพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวจึงเป็นความจําเป็นที่พระองค์บอกว่าภิกษุบวชเข้ามาแล้วใครจักศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เธอตั้งจิตว่าเธอจักศึกษาต้องศึกษานะต้องศึกษาความรู้ของตาตากรแต่เตือนนิดหนึ่งองค์ก็เตือนว่า อย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนเดี๋ยวจะเป็นประยัติที่เป็นงูพิษมากัดเจ้าของนะนะบอกไว้หมดป้องกันไว้ให้เสร็จนะให้ใช้เวลาเพียงเซี่ยหนึ่งของวันไม่ควรเกินสองสมชั่วโมงต่อวันในย4ิบสี่ชั่วโมงย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยผู้เจ้าบอกเลยให้ทำอะไรบ้างหลังฉันแล้วให้เธอเดินจมกลมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแข่งราตรีตัดไว้ในชากรยานุโย ยามสองให้นอนยามสามให้ตื่นตื่นมาแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิมาจนกระทั่งเช้านะเช้าออกบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จหลังฉันก็เข้าวงรอบเดิมเดินสลับนั่งไปทำจิตให้หลุดพ้นนะวันวันหนึ่งเหลือเวลาศึกษาแค่ประมาณสองชั่วโมงสมชั่วโมงแค่นั้นเอ ง, องนเนี่ยพิจารณาจากพุทธวจนะทั้งสิ้นไม่คิดเองสาวกห้ามคิดเอง นะนะอา่าก็้ส่วนมักผลแต่และคนก็ได้ตามอินทรีย์บารมีแต่และคนนะขอให้มีเส้นทางที่ถูกต้องและเมื่อได้มรรคผลแล้วเนี่ยจะมาพูดเองได้ไหมไม่ให้นะถึงแม้สาวกจะได้นิพพ า, านเห็นนิพพานเท่ากับพู้เจ้า แตมาบัญญัติเองได้ไหมพี่เจ้าบอกไม่ได้อาตมาให้ทุกคนในห้องนี้อธิบายแก้วใบนี้สิบคนก็อธิบายสิบแบบนเนี่ยคนอธิบายได้อย่างดีที่สุดไม่มีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดคือตถาคตะฉะนั้นให้ฟังตถาคตคนเดียวเพราะเป็นสัพพัญญูผู้เดียวเท่านั้นในโลกการบัญญัติคือการใช้สับแสงเนี่ยผู้เจ้าเก่งที่สุดในโลกนะดังนั้นพระองค์ บรรลือเสียนาทเลยประกาศเลยบอกว่าไม่มีใครทำได้ตรงนี้พระาจายกับรเดียนถามอีกนิดหนึ่งครับ <c oughs> ในส่วนของการนั่งสมาธิหรือจเจริญจิตภาวนาเนี่ย <c oughs> นะฮะน่าจะเริ่มจากยังไงครับคือจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าคนทั่วไปเนี่ยเรารู้สึกเราใกล้ศาสนาแต่จริงๆเราไกลศา ส, สนา <c oughs> นะฮะดูเหมือนใกล้แต่ไกล นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอย่างอย่างผมเองเนี่ยถ้าผมบอกว่าผมอยากจะทำจิตให้นิ่งนะครับบางคนก็เคยบอกว่าเออนั่งสมาธิแต่บางทีไอาการนั่งของเราเนี่ย<ม>เราตั้งังมันไม่เหมือนกันใช่แล้วแต่ละแต่ละอวัย <c oughs> ก็ไม่เหมือนกันใช่ <c oughs> จะทํำยังไงที่จะทําให้มันง่ายและทําให้เราเนี่ยจับที่จิตของเราอย่างที่พระอาจารย์ตะกีะะ้สอนว่าเราจับให้จิตให้เราให้เห็นตรงเนี้ยเราจะทํำยังไงให้มันง่ายกับตัวเรา ก็ต้องกลับไปดูง่ายยากเนี่ยหนึ่งต้องไม่คิดเองพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกวิธีง่ายไปแล้วเพราะนั้นอาตมาเนี่ยทำหนังสือมักวิธีที่ง่ายมาให้นะทุกอย่างเนี่ยมีคำตอบในพรุทธเจ้าหมดเลยพุทธวจนะนั้นวิธีง่ายเนี่ยพระองค์จัดไว้เองเลยว่านี้คือปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนะนี้เป็นสุขขาปฏิปทาขิดปาปิญญาปฏิบัติญญบสบายสาเร็จเร็ว นี่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติลำบากสำเร็จช้าบอกไว้หมดนะนั้นวิธีในการที่จะทำเนี่ยพระองค์จึงไม่ให้ใช้การพิณาจากตัวเองแต่พระองค์บอกว่ามหาชนจะเดินตามที่พระองค์สันเสริญเอาไว้ดังนั้นพระตถาคตจะสันเสริญมักวิธีเอาไว้เช่นอานาปานสติสติปฐานสี่นะ การพินาผัดสะอย่างนี้การละนันทิคือความเพลินนะสูตรพวกนี้จะมีมากเช่นการละนันทิเนี่ยมีถึงห้าหกร้อยสูตรเยอะมากอาณาปานาสตินะรวมไว้ให้ทั้งชีวิตผู้เจ้าตัดไว้แค่นี้สามสิบสองสูตรนะนั้นพระสอนผิดจากนี่ไม่ได้ใครสอนผิดจากนี่เกินนี่แสดงว่าบัญญัติเพิ่ม หรือไปเพิกถอนคําของท่านอาณาปานสีธทําอย่างไรพระองค์สันเสริญว่าเป็นตะทั่งเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่พระตะถาคตหรืออาริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคล <c oughs> พระองค์บอกว่าภิสูจไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวนะเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นนะทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำไกดสังขารให้ลำงับเนี่ยหมวดนี้คือหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดังนั้นขณะที่เราจเจริญอาณาปานาสติผู้เจ้าบอกสติกฐานสี่ครบบริบูรณ์ในตัวเสร็จไม่ต้องไปทำอะไรนั่นคือแค่เรารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องมีคาพูดอะไรในใจนั้นผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมอะไรภาวนานในใจเราจะไม่เคยเจอสักพูดหนึ่งนะทั้งชีวิตของผู้เจ้าแค่รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกลมที่กาลังไหลเข้า ไหลออกไหลเข้าไหลออกแค่เนี้เหมือนโยมสูดหายใจทีเดียวไปชายทะเลลองนึกสูดหายใจเข้าออกแค่เนี้ยมีความสุขแล้วจิตอยู่กับกายแค่ชั่วงระยะเวลานิดเดียวนะพระองค์จึงบอกว่าแค่เธอรู้ลมหายใจช่วการเพร่งรัดนิ้วมือบอกถ้าภิกษุจเจริญอาณาปานาสติแม้ช่วการเพร่งรัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานคือสมาธิทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั่นเล่ายิ่งมากยิ่งดีและถ้าใครทำมากผลที่เธอหวังได้สองอย่างคืออะไรพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีนในปัจจุบันนี่อ น, นิสงส์อาณาปาระตถาคตใช้เองด้วยก่อนตรัสรู้พระองค์ก็จเจริญอาาปานสตินั้นถ้าเราต้องการจะเดินตามพระตถาคตก็คือเรามาจเจริญอาณาปานสติ ขนาที่รู้ลมเข้าออกเนี่ยครูเจ้าบอกว่าอย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไปเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีแปลงไปนกตายจับรวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีดังนั้นคนมาฝึกทําทีแรกก็จะตั้งใจเกินจะอึดอัดแน่นนะอกปวดหัวน่ะไม่ถึงความพอดีต้องปรับความสมดุลแห่งธําม นั้นเป็นพุทธวจนะทั้งนั้นที่นำมาให้พวกเราทราบในวันนี้คำศาสดาของเราเองไม่เคยถามต่อผมถามต่ออา <laughs> <c oughs> ใน <c oughs> ในใ น, ในส่วนอันนี้เนี่ยเคยเคยได้ยินมานะฮะซึ่งมันคงจะเป็นความรู้หางอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ย <c oughs> นะครับบางทีเนี่ยคนที่มีจิตใจที่ไม่รู้เรื่องศาสนาเลยแต่เมื่อมาพบพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะครับ เ, เมื่อได้ฟังคําสอนพุทเจ้าแม้แต่เพียงแป๊บเดียวเนี่ยก็บรรูุเป็นอรหันเลยเนี่ยอ oh. โดยที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอ น, <c oughs> ตอนการกำหนดจิตหรืออะไรยังไงเนี่ยคือแต่ทําไมว่าสมัยนี้เนี่ยยุคนี้เนี่ยกว่าเราจะเข้าไปถึงนั้นเนี่ยคําว่าอรหันเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดเลย uh huh. น้อยมากนะครับ uh huh. อนอกจากเป็นพระอริยสงฆ์ที่แบบท uh huh. ่านเจริญภาวนายเยอะมากเนี่ย uh huh. ทําไมมันถึงแตกต่างกันเยอะและทําไมออตอนพุท ธ, ทธกาลเนี่ยปึ้งเดียว มันเหมือนแบบลัคนิ้วมือปั๊บก็บรรลุเลยเป็นอราหันต์เลยเอ่าเหตุปัจจัยของการบรรลุเร็วหรือชา้าผู้เจบอกอยู่ที่อินทรี่ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาห้าตัวเนี้ยแต่ละคนมีไม่เท่ากันเหตุปัจจัยที่สองพระตาตาคตเป็นคนรู้เหตุปัจจัยห้าประการนี้ของทุกคนดีที่สุดเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ทําได้ พระองค์เป็นหนึ่งในทศพลยานของพระตถาคตคือการรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลว่าใครมีอินทรีย์ห้าเนี่ยมากหรือน้อยพระองค์จึงชี้ธรรมะไปได้ให้ธรรมะตรงนี้ปั๊ บ, บหลุดนะอย่างนี้อย่างที่สามเนี่ยที่เราสังเกตเห็นถึงบอกว่าณนะวันนี้มีอุทธวันะให้อ่านกันไหมไม่ค่อยมีเครื่องส่งไม่ดีไง นะข้อมูลที่เรารับเนี่ยมันไม่ดีมันกระพองกระแพงมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะ่ะประกอบดัวยอินีเราก็อ่อนนะมันก็เลยแย่ใหญ่เลยไอพวกอินีแก่ก็ยังพอไปได้นะแต่ถ้าเครื่องส่งดีเครื่องรับร้อยเอร์เซ็นมันก็หลุดง่ายนะัตมาก็มองจากสามเหตุปัจจัยตรงนี้ต้องค่อยๆแก่จริงๆแล้ว ทำศาสดาจะต้องมีเต็มประเทศต้องหาได้ทุกแผงหนังสือใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าหนังสือที่สาวกแต่งกับมีเต็มประเทศมันกลับกันตอนนี้มันกลับกันนะไม่มีใครถามผมถามต่ออาจารย์คือผมถามแบบคนที่ไม่รู้แล้วถามแบบคนที่แบบ ติดยึดในไม่ติดยึดเหมือนที่ว่ายังยังอยู่ในพวกพวกในโลกอะฮะ <c oughs> ถ้าถามอย่างง่ายๆอย่างคนไม่รู้เรื่องศาสนาเท่าไหร่เนี่ยนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมชอบชอบที่จะเรียนรู้นะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยถ้าถามแบบง่ายๆเนี่ยไป่ทราว่าพระเจ้าเจ้าเนี่ยท่านประทับอยู่ที่ไหน <c oughs> ท่านมีตัวตนอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ดาวดึงอยู่ตรงไหนแล้วแล้วเรา คือคือผมเชื่อว่ามีพระเจ้าแน่นะครับเพราผมอยากจะรู้ว่า uh huh. แล้วอย่างโลกเราเนี่ยเราจับต้องได้เพราะมันมันมันมีนมกายมีการสัมผัส uh huh. แต่สวรรค์แลโลกเนี่ยตกลงเป็นการสมมุติขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยตระหนักในเรื่องของความเร็วความดีหรือว่ามีจริง uh huh. แล้วที่พระอาจารย์บอกว่าจริงๆจิตวิญญาณนี่มันเกิดดับเกิดดับตลอดนะฮะตัวตัวเราเนี่ยที่เราเป็นอย่างนี้มันคือสัตว uh ์ huh. นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเราเป็นไงว่าเราตายไปเนี่ย นะครับเราสมมติว่าเราไปขึ้นสวรรค์เนี่ย uh huh. อะไรของเราขึ้นสวรรค์ oh. ต่างของเราขึ้นสวรรค์หรือว่าอะไรขึ้นสวรรค์ใช่แล้วเราจะกลับมา uh huh. ยังไร uh huh. แล้วแล้วถ้าเกิดไม่ขึ้นสวรรค์ทำไมมีผีอยู่ในโลก uh huh. นะฮะทำไมมีมีมีเปรตมีอะไรอยู่เขาไม่ไปไหนเหรอมั น, นคือดวงจิตมันมากมายไงสัตตานางนมันเยอะมากม า, มายมหาศาลที่เข้ามาลงยึดพวกนี้ และคนที่ไปนรกไปสวรรค์นะ่ะที่ผู้เจ้าบอกบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น น, ะนั่นนะ่ะก็คือตัวสัตว์นี่แหละที่ไปยึดเกาะวิญญาณที่เป็นไปในสุคติภพน่ะมนุษย์เป็นสัตว์เกิดในคันวิญญาณก็มีการก้าวลงสู่คันผู้เจ้าอธิบายการก้าวลงสู่ครันของมนุษย์ด้วยว่าการที่สัตว์ที่เกิดในคันเนี่ย จะต้องประกอบด้วยอย่างไรหนึ่งมารดาบิดาอยู่ร่วมกันสองมารดามีระดูสามคันธ พ, พะเข้าไปตั้งเฉพาะคือวิญญาณเข้าไปตั้งเฉพาะและจะมีอีกพระสูตรหนึ่งซึ่งจะบอกว่าวิญญาณเนี่ยถามแบบพระอนนท์บอกอนนท์ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่คันแหน่งมารดาแล้วนามรูปจับปรุงตัวต่อได้ไหมอนนท์บอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องอธิบายตั้งแต่ว่า นามรูปที่อยู่ในคันเนี่ยมันจะโตขึ้นมาได้ไหมถ้าไม่มีวิ ญ, ญญาณเข้าไปอยู่โตไม่ได้นะลาดับที่สองถ้าวิ ญ, ญญาณก้าวลงสู่คันแห่งมารดาแล้วจักแตกสลายลงบอกอานนท์นามรูปจักปรุงตัวต่อได้ไหมนอานนท์บอกไม่ได้ผู้จ้าบอกถูกต้องอันดับที่สามถ้าวิ ญ, ญญาณที่ก้าวลงสู่คันมารดาแล้วนามรูปนั้นปรุงตัวเป็นเด็กอ่อนซึ่งปรากฏเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้ว แล้ววิญ ญ, ญาณจักแตกสลายลงนามรูปจักรุงตัวต่อได้ไหมป้านนบอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องดังนั้นวิญญาณเนี่ยเข้าออกเข้าออกได้สามระยะหนึ่งเข้าไม่เข้าสองเข้าแล้วแตกสลายสเข้าแล้วจนอยู่เป็นเด็กชายเด็กหญิงในคันแล้วแตกสลายนะมีสามสามจังหวะขั้นตอนที่วิญญาณยังแตกสลายได้ในคันและผู้เจ้าบอกอานนท์ให้จําไว้ว่านี้เป็น <c oughs> อุปมาเพื่อการให้รู้ว่า นามรูปกับวิญญาณเนี่ยอิงอาศัยกันอยู่นะดังนั้นตัวนามรูปเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณมันจะเติบโตมันจะแตกสลายมันโตต่อไม่ได้นะและตัววิญญาณเป็นวิญญาณที่มีสัตว์เข้าไปคลองอยู่แล้วประเด็นคือตรงนี้นะนั้นวิญญาณที่ก้าวลงสู่การบรรดาสัตวตานางมันยิตแล้วแล้วก็ค่อยก้าวลงสู่อย่างนี้พ่นะอาจารย์ก็บอกว่าแม้แต่อยู่ในคันเนี่ย อิดหรือวิญญาณก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาใชแ่แล้วแล้วที่บางทีเขาบอกว่าคนกับช่ามาเกิดบางทีมามาเกิดในคันของแม่ตัวเอง้ครว่า <c oughs> คืนก่อนคลอดแวบบเข้ามาแล้วก็แฟบเข้าไปเลยอย่างนี้เนี่ย <c oughs> อย่างนี้เนี่ยมันหมายทียไงพระอาจารย์เพราะจริงๆถ้าถ้าในความหมายที่พราาอะอาจารย์พูดไว้ตอนแรกคือว่าจริงๆเนี่ยการเกิดมาเป็นรูปธรรมเนี่ยในคันคันมารดาเนี่ยก็จะต้องมีวิ ญ, ญญาณเข้าไปอยู่แล้วแช่ไปอยู่แล้วแต่<ช>แต่ว่าคนที่บางทีบอกว่าเออเขากับชาติมาเกิดแล้วเขาเข้ามาตอนท้องเก้าเดือนก่อนจะคลอดไม่มีจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมครัไม่ใช่คําตถาคตไม่ใช่สัจจความจริงตอนนี้เรามาเอาสัจจความจริงไว้ไอ้ที่ฟังเขาพูดมาเนี่ยวางเลย ไม่ใช่อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของใช่ปรุงแต่งปรุงแต่งของตัวเองใช่ใช่นี่คือสัพพัญญูเห็นครับผมแล้วก็ปัญญัตอกมาว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระอาจารย์อีกข้อหนึ่งที่ที่ถามเรื่องของผีเรื่องของอะไรที่ทีทําไมคนเราเห็นเนี่ยเราจิตปรุงแต่งหรืออะไรแน่เป็นของจริงของจริงแล้วอันนั้นนี่เป็นเราจะเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเบรดเป็นอะไรที่พระอาจารย์บอกใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่วิญญาณไม่ไม่ใช่วิญญาณ กำลังทำหนังสือพบภูมออกมาเดี๋ยวปีเนี้คิดว่าน่าจะออกไอ้ที่เราเห็นแผงแผนผังสามสิบบพ บ, พบภูิในวัดต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นจริงบ้างปลอมบ้างเพราะมีคำสาวกปลอมผลเข้าไปอยู่ในนั้นยิงพบภูเนี่ยมีมากนะคร่าวๆเนี่ยประมาณแปดสิบเก้าสิบนะนะโดยแบ่งเป็นคติห้าหรือว่าเป็นสามพบนะนั้นกำลังรวบรวมเสร็จไปเก้าสิบกว่าอร์็นต์แล้วนะ จะเป็นคําตถาคตล้วนว่าตถาคตได้ตรัสไว้อย่างนี้ไม่มีคําของคนอื่นนั่นเราจะได้ทราบความจริงว่าภพเนี่ยมีมีเท่าไหร่นะระบบการเกิดของมนุษย์เนี่ยระบบการเกิดของสัตว์ในโลกเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างที่พระเจ้าต้องการคือว่าให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะไปเกิดในภพใดๆก็ตามตายหมดตายเรียบเทวดาก็าตายพรหมก็าตายมนุษย์ตายในกระชานตายสันนลกตายไม่มีภพใดถาวร และเทวดาหรือพรมเนี่ยเมื่อสิ้นอายุไขัแล้วพระองค์บอกว่าเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกัมเนรศชาญหรือเปรตพิสัยนะเป็นเทวดาชาตินี้ชาติหน้าไปเปรตวิสัยก็ได้ไปนรกก็ได้กลับความนุษย์ก็ได้มนุษย์ก็ลงไปข้างล่างได้ขึ้นได้และเราทุกคนเคยเป็นอย่างนี้กันมาแล้วหมดสังสารวัตนี่ยาวไกลพระองค์บอกเธอเคยเป็นพ่อเป็นแม่ พี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายนะเคยเป็นคนพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเป็นคนจนมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเป็นคนรวยมาแล้วตลอดการยาวนานเคยรวยมากเคยจนเคยพิการเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วตลอดการยาวนานและถูกเข้าฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเนี่ยรวมแล้วในสังสารวัตมากกว่าน้าในมหาสมุทรทั้งสี่ น้ำตาที่เธอเคยร้องไห้ในสังสารนี้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นี่คือความปรารถนาที่ผู้จ้าต้องการให้เราเห็นว่าสังสารอันยาวไกลเนี่ยเราต้องเกิดตายมาตลอดเลยและถ้าเกิดต้องได้รับเจ็บป่วยแก่ตายซึ่งมันเป็นความทุกข์ที่ไม่มีใครอยากได้นั้นพระองค์จึงต้องการ บอกวิธีออกจากระบบนี้มาสู่วิมุตหรือนิพานซึ่งพระเจ้าก็คืออยู่ที่นี่นั่นเองนะพระหานทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าบอกว่าปเปรยนิพานด้วยอนุ ป, ปาทิเสสนิพานธาตุเป็นอันมากแต่นิพานไม่มีเต็มนะๆๆนะรับเรลยๆรถที่เจ้าอยู่ที่ไหนนะครับอาจารย์ก็ <laughs> คือในสภาวะของวิมุตนั่นเองอ๋อวิมุตวิมุตหรือนิพาน พระรหทั้งหลายก็ที่เดียวกันเมื่อเมื่อถึงวิมุตแล้วเนี่ยผู้เจ้าบอกความเป็นผู้เจ้ากับพระอรหันต์เนี่ยก็เสมอกันที่นั่นนะเสมอกันไม่มีว่าไปถึงนั่นแล้วยังมีพระเจ้ามีผู้เจ้าใหญ่กว่าไม่มีเท่ากันหมดเป็นวิมุตเท่ากันหมดแต่ในทางโลกเนี่ยผู้เจ้าเลิศที่สุดเก่งที่สุดนะเป็นอย่างนี้แต่แล้วแล้วอย่างถ้าเกิดเราขึ้นสวรรค์ เรารู้สึกมีสุขเพราะเราเป็นเทวดาเราตกนรกเราใช้กรรมเราเจ็บปวดออืเรารู้สึกเราไม่มีกายสังขารทาไมเราต้องเจ็บเราต้องปวดถ้าเราตกนรกสมมติใช่ไหมครับตกนรกครับผมไปปิดต้งิ้วอย่างเงี้ยใช่ไมเราต้องเจ็บเพราะว่าเราสังขารเราไม่อยู่แล้วอหรือว่าเราขึ้นสวรรค์เราเป็นเทวดาเราไปสวยสุขเราสุขได้ยังไงหนื่องจากสังขารเราไม่อยู่แล้วสังขารเราไม่อยู่แล้วเพราะว่าสังขารมันทิ้งถูกทิ้งในโลกนี้ มันก็ไปในลักษณะของอาจจะเป็นปิดหรืออะไรไม่อะมันเราไปได้อัตภาพใหม่ความการได้อัตตาเนี่ยพระเจ้าแบ่งเป็นสามอย่างอัตตาที่ประกอบด้วยมหาปุท ธ, ธาตุสี่อัตตาที่สำเร็จด้วยใจอัตตาที่สำเร็จด้วยสัญญาดังนั้นเวลาไปเกิดในภพใดๆจะได้อัตตาความเป็นตัวตนในแบบนั้นๆเราก็จะรู้สึกในแบบนั้นๆเป็นเทวดาเป็นกายที่สาเร็จด้วยใจ เวลาใกล้จะตายนะเสื้อผ้ า, าพรจะเศร้าหมองเหงื่อจะไหลาจากรักแร้นะผิวพรรณจะเศร้าหมองนะพวกวิหารนะพวกดอกมงดอกไม้สวนจะเหี่ยวเฉาเทวดาจะเริ่มรู้ว่าตัวเองกําลังจะตายอย่างนี้มีความทุกข์ไหมมีอย่างนี้ทุกภพภูมีทุกหมดรหมก็ตายเทวดาก็ตาย การที่ประพฤติปฏิบัติแล้วเพื่อไปได้เป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งผู้เจ้าบอกเป็นการประพฤติพรมจันทร์ที่เศร้ามองเป็นการประพฤติพรมจันทร์ของคนผ่านไม่ใช่บัณฑิตเป็นความขาดความทะลุความด่านความพร้อยของพรมจันทร์นั้นพระองค์ไม่ต้องการให้ไปเกิดในที่ใดๆเพราะการได้การเกิดจะได้มาซึ่งแก่และตายชรามรณะเราจะได้กลับไปสู่สภาวะเดิมของเราเอง เพรตราบใดที่ยังได้การเกิดคือเรายังหลงกังท่าอยู่ยังปล่อยกังท่าไม่ได้การเกิดจริงยังมีต่อไปเรื่อยๆนะและผู้เจ้าบอกอย่างหนึ่งซึ่งทําให้เราคิดว่าโอ้มันน่ากลัวมากคือมนุษย์เนี่ยที่ตายจากมนุษย์แล้วเนี่ยได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกมนุษย์ถ้าตายจากมนุษย์แล้วเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับดินในมหาปฐพี นะสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เนี่ยตายแล้วเนี่ยไปที่อื่นหมดเลยแต่ที่กลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บนิดเดียวเทียบกับดินในมหาปฐพีเทียบเปอร์เซนต์กันแทบไม่ได้น้อยมากนั้นแสดงว่ามนุษย์หกพันล้านคนเนี่ยตายแล้วเนี่ยไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างเดรัฉานบ้างไปหมดหาน้อยมากที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์น้อยมากความยากในการได้ตาผ้าเป็นมนุษย์เนี่ยพระเจ้าเปรียบอย่างไร เปรียบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมีน้ําท่วมถึงกันหมดนะมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ํานั้นลมก็พัดแอกไม้ไผยนี้ไปทิศเหนือใต้ออกตกในน้ํามีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งระตถาคตถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งน่ะจะเจอแอกไม้ไผ่นี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสา ว, วกบอกยากมาก นะบอกนั่นแหละความยากของสิ่งสามสิ่งหนึ่งการได้มาเป็นอรันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าสองการได้มาเป็นมนุษย์สาการที่ศาสนาจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกนี่คือสามสิ่งที่ยากเสมอกันพระเจ้าจึงเตือนว่าเนี่ยณขณะนี้เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วให้เธอทั้งหลายเนี่ยอย่าประมาทพึงกระทำโยคกรรมคือการกระทาอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์ นี่คือเหตุให้เกิดขึ้นแหน่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดดังนั้นเรื่องอริสสสี 4, จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตที่จะต้องรู้นะและถ้าจะพัฒนาคนพัฒนาจิตแล้วพัฒนาให้เขารู้อริสสสี 4. ถ้าคนได้รับการฝึกฝนด้านจิตแล้วเนี่ยทุกอย่างดีหมดการเมตตาการให้อภยัยปัญญา ทุกอย่างเกิดขึ้นเพรเมื่อจิตโยมพัฒนาคือตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวนิวรธาดับไปผู้เจ้าบอกนั่นแหละคือบ่อกเกิดของปัญญาปัญญาจาักกว้างปัญญาแหลนปัญญาเร็วปัญญาไพบูนปัญญางอกงามปัญญาทุกอย่างจะเกิดนะบางทีเราคิดอะไรไม่ออกเพราะจิตมันฟุ้งซ่านสับสนแต่ถ้านั่งสมาธิเงียบๆสงบสง บ, บสักนิดหนึ่งความคิดดีๆเกิดขึ้นได้เยอะแยะนะ นมัสการเจ้าค่ะโยมขอขอโอกาสทำความเข้าใจที่พระอาจารย์พูดถึงภพที่เป็นการเกิดเนี่ยถ้าเผื่อเราเราพูดถึงการเกิดที่จิตดวงจิตสภาวะจิตครั้งสุดท้ายก่อนที่ขันจะดับเนี่ยเราก็จะไปสู่ภพภูมิที่เราเกาะติดในในช่วงสภาวะจิตนั้นๆทีนี้ถ้าเผื่อเราในจังหวะตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบแล้วนะคะว่า เราจะไปสู่ภพภูมิไหนหลังจากขันสลายอซึ่งในภพภูมิของปัจจุบันขณะเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราโลภมีความอกุศลจิตในภพปัจจุบันน่ะเราก็จะเป็นเปลยเป็นอสุรกายอะไรอยู่ในจังหวะของอิทัปปัจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทอก็เลยอยากจะขอการทําความเข้าใจกันว่าแม้แม้ปัจจุบันขณะเนี่ย ทุกๆคนก็สามารถจะมีความเป็นอัลหันในตัวได้ไม่ใช่ว่าต้องรอจนกระทั่งขันแต่งสลายไปแล้วถึงจะไปสู่ภพภูมิที่เราปร า, า, ารถนาไม่ทราบจะเข้าใจถูกหรือเปล่าใช่ไหมเพราะไม่ง uh ั huh. uh ้นเราเราก็จะรู huh. uh ้ส huh. uh ึก huh. ว uh ่าการที huh. uh ่เราจะไปสู่ภพภูมิอื่นเนี่ยต้องขันสลายไปแล้วออืเพราะฉะนั้นเราก็จะเราก็จะมีความสุขในภพปัจจุบันได้อย่างไรอฮ ความมันมีสองประเด็นของเยิมเนี่ยคือการไปสู่พบเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจิตไปสู่พบตลอดเวลาทุกขณะที่คิดดังพระสูตรที่บ่งบอกว่าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยการก้าวลงแห่งนามรูปมีเมื่อการก้าวลงแห่งนามรูปมีพบมีชาติมีชลามระมีนั่นคือทุกขณะแห่งความคิดเป็นพบชาติชราโมรณะ นั่นไปรนหนึ่งส่วนประเด็นเรื่องของความเป็นเมลาล น, นั่นคือต้องหลุดพ้นจากภพนะความเป็นภพแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดนะพระองค์บอกการที่จิตเนี่ยไปรับรู้อารมณ์แม้ชั่วเวลาลัดนิ้วมือป๊บเดียวเนี่ยน่ารังเกียจเหมือนมูดคูด่ที่เมื่อปุ้มตัวเราแล้วเนี่ยต้องรีบปล้างรีบเช็ดออกให้ไหวเพนะราะการได้มาซึ่งภพจะได้มาซึ่งชาติการเกิดและชะลามรณะตามมา นี่เป็นความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นพรหมเทวดามนุษย์นรกในเดชานไปวิสัยส่วนความสุขจะมีได้อย่างไรความสุขจะมีได้ในทุกภพถ้าเขาสามารถละถอนอุปท า, านในสิ่งที่เขายึดได้พระองค์จึงสอนให้เราละความเพลินขณะที่มนุษย์อยู่ในรูปเสียงฝีนลดนะจะมีความสุขได้อย่างไรจะถอนอุปท า, านได้อย่างไรในเมื่อเรายังอยู่ใน ธุรกิจยังอยู่ในครอบครัวนะพระองค์บอกให้ทำสามอย่างหนึ่งเธอต้องเห็นอัศธาลดอร่อยของโลกนะหรือของกันทาอย่างที่สองขณะเดียวกันเธอต้องเห็นอาธินวะคือโทษและขณะเดียวกันเธอต้องเห็นนิสลณะอุบายเคลื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้นั่นแหละอุปท า, านจะค่อยๆถูกถอน คนที่ยึดติดอยู่ในโลกเพราะเห็นแต่อัสซาทะสัตว์ทั้งหลายจึงมีอยู่ในโลกและติดอยู่ในโลกแต่ถ้าผู้ใดมาตามเห็นอาทินวะคือโทษของมันพระอรหันต์จึงมีการหลุดพ้นจึงมีนั้นใครเนี่ยตามเห็นโทษอยู่เนืองๆ เ, เนี่ยคนนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการใช้นิสสระนะอุบายเครื่องออกไปพ้นมันต้องมีอุบายวิธีให้เกิดปัญญา นั่นคือการละความเพลินคือนันทินันทิแปลว่าความเพลินเราอยู่ในรูปเสียงยิงรถพระองค์ให้ใช้การละนันทินะละนันทีอยู่เรื่อยๆละความเพลินละความเพลินละความเพลินอยู่เรื่อยๆนะแล้วเราจะค่อยๆถอนอุปทานทีละนิดทีละนิดทีนิดทีนิดออกมาออกมาจนกทั่งหลุดพ้นจากขันทั้งห้าทั้งหมดได้เป็นพระระหัน หลุดพ้นจากความเห็นผิดได้เป็นโสดาบันนะมิชาทิฏฐิโสดาบันไม่ทำแล้วนะมัตตโกตุระมงคลมงคลในแบบสม า, าพรมาอื่นโสดาบันไม่กระทำไม่เวียนไปนับถือศาสดาอื่นไม่สแสวงหาทักคือเนยยะบุคคลภายนอกจากศาสนานี้โสดาบันเข้าใจแล้วว่ามรรคแปดศีล ส, สมาธิปัญญาคือหนทางบริสุทธิ์หลุดพ้นที่แท้จริงไม่ใช่บูบชาไฟนะ เดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นนะรูปพื้นดินนะปูย้านะปูญ้าสีเขียวบนพื้นดินลาดพื้นดินด้วยน้ําโคไมลยสดนี่เป็นพิธีกรรมแบบต่างๆในครังพุทธการซึ่งเขาคิดว่านี้คือมงคลต่างคนต่างก็คิดมงคลในหลายรูปแบบแต่อะไรเป็นมงคลที่แท้จริงพระศาสด า, า, าบอกว่าพระองค์ไม่ได้ตาหนิการบูชาไปเสียตพื บูชาใดที่แพะแก่ไก่สุกรช้างโคมาไม่ล้มตายเป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์ <S <S แต่การบูชาใดแพ้แก่ไก่สุกรช้างโคมาล้มตายเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยการบําเพ็ญตบะ ก, ก็เหมือนกันพระองค์ไม่ได้ตําหนิไปหมดผลิพาโชค บ, บางพวกบําเพ็ญตบะแล้วได้ไปเป็นเทวดาแต่ก็ยังหลุดพ้นไม่ได้บูชาแล้วก็ยังหลุดพ้นไม่ได้นะการบูชาอย่างไรจิงจะหลุดพ้นได้ เดินตามคําสอนของตถาคตการประพฤตินะตามอยู่การปฏิบัติโดยชอบยิ่งการปฏิบัติทำทำสมควรแก่ทำอยู่ในคําของตถาคตนั่นแหละเธอจะหลุดพน้นนะนั้นการหลุดพ้นก็มีไปตามลําดับแั้งแต่โสดาบันสกัดทาคามีอนาคามีพระหลานอยู่ที่ใครปล่อยอะไรได้มากโสดาบันก็จะปล่อยได้สามอย่างสักยทิพฐิทิพฐิคือความเห็นความเห็นผิดในด้านสักยะ ว่าขันท่าเป็นตัวตนเที่ยงแท้โสดาบันจะไม่เชื่อละไม่ถึงสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงนะจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดนะโสดาบันจะละวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลได้ไม่สงสัยลังเลในอะไรในเส้นทางยมรู้แล้วว่าจะไปเชียงใหม่นี่คือแผนที่เชียงใหม่ไม่ใช่ถือแผนที่ยะลาอยู่นะอ่รู้แล้วโสดาบันมั่นใจและแผนที่นี้ถูกต้องเนี่ยสินสมาธิปัญญามากแต่ จะไม่ทําอย่างอื่นแล้วนะความเหม็นโสดาบันจึงมั่นคงกระดุดเสาหินยาวสิบหกศอกฝังลึกลงในดินแปดศอกปลูกขึ้นมาแปดศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสี่ทิศฉันใดโสดาบันก็เช่นนั้นผู้เจ้าบอกไายจะมาชักจูงความเหม็นโสดาบันไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะจิตจะไม่เบาเหมือนปุยนุ่นอุดุชนเนี่ยจิตจะเบาเหมือนปุยนุ่นใครสะกิดไปซ้ายฉันก็ไปซ้ายใครสะกิดขวาฉันก็ไปขวาไปหมดเลยฉันไปทุกที่ นะอ่าเป็นอย่างนี้ <c oughs> มีประเด็นอื่นไหมมีข้อสงสัยอะไรในพุทธศาสนานะมนุษย์ ก, การครับเจอ ใ, ในยุคดิจิทัลปัจจุบันเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะบรรลุ พระอรหันต์หรือนิพพานได้ไหมครับพระศาสนาบอกว่าอย่างนี้อย่งไม่ว่าจะเป็นยุคใดก็ตามอริยมรรคไม่งำแปดมีไหมถ้ามีมรรคแปดนะผลทางมีมรรคแปดยังมีผู้ประพฤติตามมรรคแปดยังมีอยู่พระอรหันต์ย่อมมีความพ้นทุกมีปีนสีห้าทุกคนไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าทุกคนขี้เกียจหมดไม่ใช่ทุกคนขยันหมดแต่ขอให้เขารู้ทางรู้เส้นทางและเดินตาม หลุดพ้นมีแน่นอ น, นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันก็เอาเมล็ดงาเนี่ยมาเกลี่ยลงในลางปะปรมน้ํามือคั้นเมล็ดตราบใดที่มือเขาคั้นเมล็ดถึงเขาไม่หวังจะได้นิพพานเขาก็ได้ถึงเขาหวังเขาก็ได้ไม่หวังก็ได้เพราะมือเขาคั้นน้ํามันนะคั้นเมล็ดงาก็ต้องได้น้ํามันอยู่ที่เราสร้างเหตุถูกต้องไหมนี่ยพระเจ้าตัดไปที่การสร้างเหตุ นั้นไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามโยมลองดูว่าปฏิจจสุบาทเหมือนเดิมสองพันกว่าปีที่แล้วมนุษย์ก็มีผัสสะผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาผ่านมาสองพันกว่าปีอาตมาเอาเรื่องนี้มาที่บายโยมก็ยังมีอาการเหมือนกันไปเดินห้างนะก็มีอาการอย่างนี้ธรรมะนีจ้จึงถูกเรียกว่าอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจากัดด้วยการเวลา และเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้เป็นสิกขีภูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟัง ต, ตามๆกันมานะขาเขาก็ได้มีไหม ในทุกเรื่องนะเดี๋ยวต่อมาจะตอบโดยผู้ทุจระให้ <c oughs> ้ถามทสั้ิดหนึ่งคระวอาจารย์ในส่วนของที่ที่ได้ยินมาเนี่ยพระอริยสงฆ์เนี่ยหลายๆองค์เนี่ยบรรลุโสดาบันแต่ยังไม่ถึงขั้นนิพพานแสดงว่าพระอริยสงฆ์ที่บรรลุถึงโสดาแล้วเนี่ยก็ยังกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านพระความเป็นอริยบุคคลเนี่ย ผู้ดชนก็เป็นได้คนธรรมดารารวานี่ก็เป็นได้นักบวชก็เป็นได้ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นนะโสดาบันต้องเวียนกลับมาไหมเวียนกลับมาอีกไม่เกินเจดชาติไม่มีภพที่แปดสำหรับพระโสดาบันโสดาบันจะแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มเกิดอีกหนึ่งชาติพบเดียวเรียกเอกปีชีอีกพวกหนึ่งกลับมาสู่สกุลสองสามคราว นะเรียกโกรังโกระอีกพวกหนึ่งเนี่ยกลับมาสู่มนุษย์นะอีกเจ็ดครั้งมนุษย์บ้างเทวดาบ้างเทเวจามนุษย์เสจะนี่เรียกสักตาคาตูปัลมันสามพวสะกาทาคามมีเป็นเทวดาคราวเดียวอนาค า, ามีไปเกิดเป็นพรมคราวเดียวแล้วปรนนนินิพพานในภพนั้นพระอรหันต์ก็คือหลุดพ้นเลยนะนี่กลุ่มของอ ร, ริบุคุ ซึ่งเป็นได้ทั้งค <c oughs> ารวาะแล้วก็นักบวชนักบวชเนี่ยแค่ให้มีเวลาว่างมากเพื่อหลุดพ้นได้เร็วครูเจ้าบอกว่าคารวะคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีนะบรรพชาเนี่ยเป็นโอกาสว่างถ้าเรามาบรนประชามันเป็นโอกาสว่างการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยทำได้ยาก ฉไนเราจะพึงปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้พึงตัดสินใจออกบวชอย่างนี้ไงเพื่อเข้าถึงความเป็นโอกาสว่างมีเวลาว่างมากดังนั้นนักบวชเนี่ยเข้าถึงอาชีพอะไรนักบวชเนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทานนะพระองค์ตัดไว้เลยว่าเราทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงอาชีพนี้ เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไรพระองค์บอกว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายอาชีพต่ําที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทานคํำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคํำสาปแช่งว่าแกถือกระบื้อไในมือเที่ยวขอทานเถอะดังนี้ดูก่อนพิสุททั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายเข้าถึงอาชีพนี้เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทันไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวเป็นปวด ไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภยัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจริงบวช น, นะอีกอย่างหนึ่งคุณบุตรนี้บวชแล้วโดยคิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกอย่างเอาแล้วโดยชาติชลามอนนะเขาเนี่ยเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยกําลังมาเยือนเขาเขากําลังจะแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่เขาถูกบังคับมาให้เข้าถึงอาชีพนี้นะการที่พระศาสดาบัญญัติให้ภิกษุขเข้าถึงอาชีพนี้เพราะอะไรเพื่อให้มีเวลาว่างมาก อาหารสแสวงหามาเพื่อความอยู่ได้ของอัตภาพเพื่ออนุเคราะห์การประพฤติปรมาจันเท่านั้นเวลาที่เหลือใช้ในการประพฤติปฏิบัติเดินจงกลมนั่งสมาธิเพื่อทำจิตหลุดพ้นให้ได้หน้าที่ของปรามีแค่นี้ไม่มีอย่างอื่ น, นเวลาใส่บาท พระวัดหนึ่งให้พ ร, พรวัดหนึ่งไม่ให้พอรอยูว่าตกลงแล้วให้พรหรือไม่ให้พร <c oughs> จริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยบอกการอนุโมทนาคือการให้พรเนี่ยเรียกการอนุโมทนาวัดวัดข้อวัดในการอนุโมทนาพระองค์บอกว่าให้กระทำในที่ฉันในที่นั่งฉันไม่ได้อนุญาตให้ขนาบินดาบาการยืนแสดงธรรมก็ห้ามไว้ด้วยห้ามยื น, ยนแสดงธรรม นั้นเวลาพระไม่ศึกษาพุทธศาสนะจึงกระทาผิดตามพระวินัยนะเห็นะนะพวาหมายท่า น, นย้ำอึงว่าพระที่รับบาตรแล้วตรวจให้ผมผู้กาษาแบบชาวบ้านนะฮะที่สุขา อ, อะไร อ, อะไรอะไรนะฮะไม่ต้องทำไม่ต้องทาบินแล้วก็ไปเลยรับอาหารแล้วไปเลยนะแล้วถ้าทำแล้วเนี่ย ทำแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอุบายเพื่อทำให้ญาติโยมนี่มีความสุ ข, ส ข, สขอย่างนี้เนี่ยผิดไหมคะเนี่ยอุบายใหม่ห้ามบัญญัติง่ายบัญญัติเพิ่มต้งเชื่อมั่นมาผู้าฉลาดที่สุดแล้ะดูแล้วรับบัตรแล้วไปเลยไปเลยไปเลยนะใช่พอดีตอนผมบวชนี่ผมรับแล้วผมสวดต่อนะรับพระ <c oughs> พาะต้องถอดรองเท้าเมื่อเวลาเดินบิณฑบาตครับไม่มีบัญญัติใ<อ>ส่ก็ใส่ก็ได้ถอดก็ได้ผมผมผมเจอผ้าจา์ช้าไปฮะรเท้าอเท้าผมระบไมไปหมดเลยเท้าพองไปแล้วแล้วคารวาสล่ะเวลาใส่บาตรต้องถอดรองเท้าไหม <S <S ไม่มีบัญญัติไม่ต้องถอดก็ได้ยืนสูงกว่าได้ไหม <S <S <S ได้หมดยอมดูว่า เวลาโยมไปให้ตังขอทานขอทานชีว้ว่าถอดรองเท้าก่อนให้เงินทําได้ไหมไม่ต้องเอาสิใช<ด>่ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยในการออกบิณฑบาตไม่เคยบัญญัติอะไรกับญาติโยมเลยตามสะดวกฉันไปขอเธอนะไม่มีเงื่อนไขกับญาติโยมทั้งสิน้นบีบพระอย่างเดียวเลยไปบิณฑบาตต้องห่มชีวรซ้อนสังขากัดลุกดุมลังดุมบินาบาบโดยเพื่อเฟื้อ ต้องเดินสำรวมสายตาทอดลงต่ำอย่าเดินควายแขนเหยาวผ้าพกหัวมีเสียงน้อยไปในระแวกบ้านโอ้โหปั ญ, ญัาเพี้กเลยพระ น, นี่แทบกะเดกตัวไม่ได้เดินสำรวมอย่างดี <c oughs> ข้อวัดบังคับมาที่พระเพราะเรากำลังจะไปขออาหารจากเขาอย่าไปตั้งเงื่อนไขกับคารวะาไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นตามสะดวกนะมีพระก็เข้าใจผิดนะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยตัวอย่างกรณีอย่างถ้าสมมุติว่าผมเกิด อ, อยากจะไปบุญอีกครั้งนึง่ง uh huh. แล้วผมบินดาบัดบ uh huh. แต่ว่าผมไป uh huh. ไปไ ป, ไปเ อ, อเดินบาทเนี่ยนะฮะ uh huh. แล้วผมใส่รองเท้าเนี่ย uh huh. มันก็จะกลายเป็นว่าเนื่องจากว่าสังคมนี้ได้ถูกสร้างสร้างเป็นนอมเป็นกฎของสังคมไปแล้วเนี่ย uh huh. แล้วผมจะถูกติชินจาก ขาวล่าว่าหรือจากคนที่เขาไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยธรรมดาจะทำยังไงธรรมดายนแต่ยืนเคียงข้างพระเจ้าหรือยืนเคียงข้างกฎสังคมใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องวัดต้องวัดใจจะเย็นผมแค่ถามนะผมแค่ถามอย่าอย่าถือผมเป็นคนอีกปากกว้างหรือของท่านเนี่ยพระเจ้าจึงบอกให้ทรงไว้เชิญเยอะ พระอาจารย์คะขออนุญาตสอบถามเรื่องอย่างเวลาที่เราใส่บาตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าผู้หญิงเวลาที่โดนบาดพระอย่างเงี้ยค่ะจะถือว่าคนใส่บาตรเนี่ยทำผิดไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีกฎระเบียบห้ามแค่พระห้ามพระไม่ได้กฎระเบียบไม่มีไปจับญาติโยมเลยะนะค่ะหมายถือว่าเวลาผู้หญิงใส่บาตรใช่ไหมค ะ, ะแล้วบอกว่ามือไปโดนบาดพระอย่างเงี้ยค่ะไม่มีไม่มีผิดอะไรทั้งสิ้น หรือว่าถ้าเดินต่อว่าเดินเฉียดกับท้าแล้วเผอิญว่าในเรื่องของลมที่ปิวมาแล้วจีวรมาโดนไม่มีความผิดเหมือนกันไม่มีอย่าไปคิดอะไรเองนะฮะเดืนยงทั้งหลังพระอาจารย์ครับขออนุญาตถามนะฮะในกรณีอย่างอย่างพร ะ, กะเกษมนี่นะฮะที่ไปลบหลู่พระพุทธรูปนี่นะฮะอันนี้พระอาจารย์คิดว่ายัางไงมีมีความคิดว่ายังไงครับอ๋ อ, เ, อ, อเรื่องเรื่อง รูปปั้นรูปหล่อเนี่ยจริงๆแล้วผู้เจ้าก็ไม่ได้บัญญัติแต่ถามว่าจำเป็นไหมจะต้องไปทำลายไม่จำเป็นเพราะเหตุว่าอะไรเพราะบุคคลผู้มีจิตสแสวงหาที่พึ่งนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเป็นคนดีเบื้องต้นเขาไม่ใช่คนเลวคนที่ยังกราบไหว้บูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปูเขาแม่น้าลาทาอะไรไม่ใช่คนเลวเป็นคนดีเบื้องต้นซึ่ง ส ม, มาทิฏฐิเบื้องปลายก็ต้องอาศัยส ม, มาทิฐิเบื้องต้นนี่แหละเป็นตัวพาเข้าไปสู่ส ม, มาธิฏฐิเบื้องปลายดังนั้นไม่จําเป็นต้องไปทําลายอะไรนะ <c oughs> ถึงแม้พระเจ้าไม่ได้บัญญตัตินะแต่เราก็ไม่ไม่ไปยุ่งอะไรแต่จะให้เราไปสร้างไปทําอะไรไหมเราก็ไม่ทําเพราะสิ่งที่เป็นตัวแทนพระธถาคตคือธรรมะพระองค์ตัดกับพระอา น, นุ์ว่าอานนุ์ ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วาศาสดาของพวกเราไม่มีอา น, นุ์เธออยาคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วจกเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปห่งเรานี่แหละเนื้อธรรมะนี่แหละโยมน ะ, นะตัวเนื้อธรรมะหนังสือพุทธวัจนะนีนะ่นี่คือเนื้อแท้ คือศาสดาของพวกเราที่เราต้องปกปักรักษานะรัชการที่ห้าจึงพูดคำหนึ่งว่าช่วยกันถนอมรักษาพระพุทธวจนะเอาไว้นะั่นจึงสละพระราชทรัพย์ของพระองค์เองเนี่ยสองพันชะ่างทาบาลีสามรัฐนี้แจกจ่ายไป260รกสิบแห่งทั่วโลกนะและทั่วประเทศทุกวัฏวาอารามนี่เป็นบารมีของรอห้าที่ทําให้ บ้านเมืองมันจเจริญขึ้นมารอดพ้นได้จากภัยันตรายต่างๆนะเพราะว่าบรารมีในการขับเคลื่อนคำพระตถาคตนะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเดินยืนท่านครับเออผมสงสัยก็คือคือผมมีข้อสังเกตคือพระพม่าเนี่ยนะครับเขาบินตบัดทั้งวันวนะครับ อ, อ, อ๋อครับ ไม่ไม่ทราบว่าเออมันผิดผิดวิธี<า>วินัยไหมอะไรประมาณนี้จริงจริงเป็นอย่างนี้ก่อนผู้เจ้าบัญญัติเนี่ยพระบินบา ท, ทั้งวันเหมือนกันปรีสไตล์นะตีหนึ่งตีสองตีโมงก็บินได้นะ่ะเช้ากลางวันเย็นได้หมดกลางคื น, นพระอุทายยีนีบินกลางคืนด้วยนะเจอผู้หญิงด้วยแสงฟ้าแลบแสดงมืดมากฟ้าแลบปุ๊บอ้าวผู้หญิงอยู่ตรงหน้า ผู้หญิงก็ตกใจบอกผีเปลตมาแล้วอุทายีบอกว่าน้องหญิงเราเป็นภิกษุมาเพื่อบิณฑบาตผู้หญิงก็ว่าให้เลยพ่อตายแม่ตายไงต้องมาบิณฑบาตหาอาหารเวลากลางค่ำกลางคืนนะอนะก็เลยมาปรารภกับพระาศาสดาว่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> สั่งประชุมสงฆ์ครั้งที่หนึ่งแล้วสั่งงดอาหารมือร้อกลางวันข้าพระองค์เนี่ยน้อยเนื้อต่าใจมาก ก็เขามีศรัทธามาถวายอาหารทำไมผู้เจ้าไม่ให้ทานล่ะเห็น ไ, ไหมอ่าแต่ด้วยความรักเคารพในพระศาสด า, ศาไม่ฉันก็ไม่ฉันนะต่อมาอีกสักพักหนึ่งตั่งประชุมสงฆ์อีกสั่งงดมื้อเย็นอ่าแสดงว่าแต่ก่อนพระฉันเชา้ากลางวันเย็นเลยนะแล้วครั้งแรกที่ผู้เจ้าบัญญัติงดมื้อวันก็ฉันเช้ากับเย็ น, น, น, ยนครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็นเหลือเชา้ามื้อเดียวนะ เมื่อเช้ามือเดียวก็คือบินทบาตครั้งเดียวอุทายีจึงมาบอกว่าครั้งแรกๆเนี่ยโมโหโพระเจ้าพระนะแต่หลังจากพิณาไปแล้วเนี่ยถ้าพระองค์รู้สึกมีความสุขมากที่บินทบาทเฉพาะเวลาเช้าไม่ต้องคอยตกลมเวลากลางคืนมองไม่เห็นขี้เลนโดนหนามเกี่ยวเหยียบไปบนแม่วัวแม่โคที่กําลังนอนถูกโจนปล้นบ้างอะไรบ้างความทุกข์เช่นนั้นของข้าพระองค์หมดไปเลยนะเพราะฉะนั้นคลาเนี่ย ฉันมือเดียวโดยศีลใกลฉันมือที่สองปรับอบัติปารจิตติลองไปดูอันนี้อันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จห้ามเสียแล้วเคี้ยก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีอันมิใช่เดนเป็นปารจิตติถูกปรับอบัติปารจิตติถ้าฉันครั้งแรกเสร็จแล้วไปฉันมือสองแล้วอาหารนั้นไม่ใช่อาหารเดนเดนคืออาหารที่เหลือจากภิกษุคนอื่นที่ฉันเหลือหรือภิกษุที่ป่วยไข่ฉันเหลือนะ นี่มีวินัยบัญญัติอยู่ในสิกขาบทปฏิโมกซึ่งภิกษุต้องสวดทุกกึงเดือนใครจะบอกไม่รู้ไม่ได้นะนั่นเห็นไหมข้อปฏิบัติปิดมาเยอะนะเยอะนะอะต้องค่อยๆกลับคืนไปสู่ความถูกต้องเนี่ยทีเล็กทีน้อยลองไปดูที่พระฉานอาหารเพียงวันละหนึ่งหลสิกขาบทก่อนปฏติโมก <c oughs> มีบัญญัติไว้หลายที่มากเลยมีตรงนี้ถึงเก้าพสูตรนะ ซึ่งทะลมพสูตรนี้ซึ่งตัดซ้ําการสักเก้าเก้าครั้งเนี่ยจะเป็นสิบแปดพสูตรนะวิสูในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในลาตรีและวิการนะเนี่ยในท้ายเนี่ยของอันนี้จะบอกว่าแม้นี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งลองไล่ขึ้นไปนะเนี่ยอ่าแม้นี้ก็เป็นสิ่งของเธอประการหนึ่งสิกขาบทตรงนี้จะห้ามพระเนี่ย ดูหมอดูเลิกดูยามปลุกเสกเลขการทำน้ำมนต์ท่ามทุกอย่างเลยลองไปดูศิษขาบทกลุ่มนี้จึงไม่มีใครกล้ามาพูดไงพระจึงไม่อยากสอนนะเพราะว่ามันกระเทือนตัวเองไงทั้งทั้งที่เป็นคำของพระธถาคตเห็นไหก็พยายามไม่เปิดเผยข้อมูลนี่เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำไมพระไม่กล้าสอนพุทธวจนะกันสอนแล้วมันกระเทือนแล้วมันต้องละเลิกอะไรหลายอย่างนะอ่า โยมลองดูสิกขา บ, บทตรงนี้อีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพระ บ, บางพวกฉันโภชนะที่ถายกถวายด้วยศรัทธาเขาศรัทธาแล้วเนี่ยถายยกไปว่าผู้ให้เขาถวายอาหารแล้วด้วยศรัทธาเนี่ยท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดรัฉานวิชาเห็นตันนี้อยู่คืออะไรบ้างทายลักษณะนในร่างกายนิมิตรลังดีลางร้ายทํำนายฝันทํานายชะตาทําพิธีโหมเพลิงบึ้งเวียนเทียนซัดป่วยแก่ปยลำป่ดยเข้าสาร จองเปลียงจุดไฟบูชาเสกเป่าพรีโด้วยโลหิตหมอดูอวะร่างกายหมอดูภูมที่ตั้งบ้านเรือนหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนส่วนภิกษุในทามวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดผู้เจ้ามองว่าเป็นการเลี้ยงชีพผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งพระทำไม่ได้แล้วจริงๆนะอ่า <c oughs> <c oughs> ต้องปรับกันอีกเยอะเลยโยมนะต้องปรับกันอีกเยอะค่อยๆปรับแต่ไม่ปรับก็ไม่ได้ศาสนามันจะหมดไปโยมมันจะหมดไปเรื่อยๆนะอ่มันจะหายไปหายไปเราจะมีข้อวัดใหม่พิธีการใหม่แต่งเติมเข้ามาเรื่อยๆโดยใครก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่พระพูทธเจ้า ลองทำสมาธิกันสักหน่อยั้มมีคำถามเพิ่มเติมไหมมีตกค้างไหมคำถามถ้าไม่มีคำถามก็เดี๋ยวก่อนอาจจะเลือกจะให้ลองทำสมาธิกันสักพักหนึ่งสัก5้านาทีนะให้เราได้ทราบว่าวิธีการเฉลิณนนาปานสติการทำจิตให้สงบ หรือหลุดพนนั้นจะทำได้อย่างไรนะให้เราทำความรู้สึกอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าั้นรู้ออกั้นรู้เนะี่ยอย่างประตะตาคดได้ตรัสไว้ไม่ต้องมีคำพูดอะไรในใจเพียงรู้สึกถึงลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเฉย แล้วก็อย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไปวางจิตพอดีพอดี ทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธินี้แหลอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารแด้ย่อมยังอกุโสลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานไปให้ลำงับไปโดยคุณแก่ฐานะอิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝุ่นทุลีฟุ้งขึ้น แห่งเดินสุดท้ายของฤดูร้อนผลหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุน่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรทานไปให้ลำนับไปได้โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดอิสุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของลำนับเป็นของปราณีเป็นของเย็น เป็นสุขวิหารและย่อมยำ่อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานไปให้ลางับไปโดยควรแก่ฐานะได้ฉันนั้น ถ้าจิตของเราเคลื่อนออกจากลมหม่ใจก็ให้ละความเปลิอนอย่าไหลาตามอารมณ์นั้นไปให้กลับมาตั้งไว้ซึ่งกายยะกตาสติอีกครั้งหนึ่ง เป็นธรรมชาติที่จิตจะเคลื่อนไหวไปมาหน้าที่ของเราคือเมื่อจิตเคลื่อนออกไปเนี่ยให้รู้ให้ไวแล้วละความเพลินออกกลับมาตั้งไว้ซึ่งอนาปานสติรู้ลมหายใจต่อไปกายพกฒาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืม สือทั้งหลายเมื่ อ, อนาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอ น, นิสงอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออาลาตะผลในทิฏฐธรรมเทียวหรือว่าถ้ายังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี จากสมาธิก็ให้เราตั้งจิตแป่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปรมเป็นเทวดามนุษย์นรกกัมนศเดชาลึกเปรตวิสัย mm hmm. ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นลงได้มีส่วนในบุญกุศลที่เราได้กระทําทเป็นทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีสมาธิบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีก็ตาม จากนั้นก็ค่อยๆออกจากสมาธิมานั่นะ <c oughs> นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาสังสมสุตตะในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านะได้สร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องในความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอขอให้เหตุปัจจัยนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเราทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดขอยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในานาพตกาลนั้นใกล้โดยทุกหน้าการทุกท่านทุกคนเตือน